ช่วงเที่ยงครึ่ง น, นะแต่ตอนนี้ก็มาเข้าในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิจริงเรียนสติปัฏฐานสูตรแต่ก็ให้ศึกษาในเรื่องของสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะในทศช่วงช้าก็พูดในเรื่องของตัวสัมมาวายามะและก็สัมปชัญญาหรือปัญญาเลขตัวนึงคือสติสติเนี่ย เอาไว้พูดที่หลังดีกว่านะเ ล, เล้จะพูดเลยนะอ๋ออย่าฟังสติเลยอ๋อเดี๋ยวพอไม่จเจริญสติปัฏฐานกลายเป็นผู้เลื้อนตัว เ, เองนี่ไม่ดีนะคือสติเนี่ยนะ เ, เป็นธรรมชาติที่ ไม่เลื่อนลอยในยเป็นลักษณะไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะสติสัมโพชทธชงก็ดีหรือสัมมาสติเป็นต้นก็ดีเนี่ยเป็นเหตุแห่งการตัดสู้โดยชอบก็ชื่อว่าสติคือสติเจตสิกนั่นแหละท่านแสดงลักคณาที่จตุกะไว้ในพระวิธรรมก็มีในอภิธรรมมัทธะสังหะทีปนีก็มีนะ อภิธรรมมวิภาวณีดีกาก็มีนะก็หลายๆที่อภิธรรมตัสังขะเป็นต้นก็มีก็คือสรุปก็คือว่าสติเจตสิกเนี่ย <c oughs> เป็นธรรมชาติที่ระลึกได้ในอารมณ์ระลึกได้ในอารมณ์นั่นแหละมีความระลึกได้ในอารมณ์เป็นลักษณะแต่ถ้า ในอภิธรรมมัทธะทีปนีดีกาบอกว่ามีการไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะแล้วก็มีความไม่หลงมีความไม่รุ่มหลง เ, เป็นกิจอาการปรากฏก็คือผลก็คือว่าเป็นธรรมที่จดจ่ออยู่กับอารมณ์เป็นผลปรากฏ ประการสุดท้ายก็มีกายานุปัสนาสติปฐานเป็นต้นเป็นเหตุให้เกิดดัะนั้นกล่าวในเรื่องของอริอธรรมมัฏะทีปนีดีกาแต่ในอัถสาหรณีนะพระพุทธโคาอาจารย์แสดงไว้ในนิเทศของสตินีก็คือว่าธรรมชาติที่ชื่อว่าสติด้วยอำนาจแห่งความเป็นธรรมที่ระลึกได้คำนี้เป็นบทแสดงให้เห็นถึงสภาวะของสติเลยนร ะ, ะลึกได้ในที่นั้นนะ ระลึกได้ตามระลึกได้เป็นธรรมชาติที่เขาเรียกว่าอนุสตินั่นแหละโดยอํานาจเป็นเหตุให้ระลึกเนืองเนืองระลึกเนืองเนืองในที่นั้นก็คือระลึกอยู่บ่อยๆชื่อว่าปฏิปฏิส ต, ติก็คือว่าด้วยอํานาจแห่งการระลึกไปเฉพาะหรือระลึกเหมือนกับไปตรงๆเช่นั้นตามคําที่กล่าวมัว น, นี้เป็นคําที่ท่านได้เพิ่มไว้ด้วยอํานาจแห่งอุปสรรคแต่ด้วยคำว่าสรรนา สารณตาเนี่ยเป็นชื่อของสารณะหรือเป็นธรรมที่เครื่องระลึกอยู่สามอย่างเพราะฉะนั้นนะเพื่อต้องการจะปฏิเสธชื่อทั้งสามดังที่ได้กล่าวว่าสาวัสตินั่นออกไปในที่เนี้ยคราระลึกเนี่ยก็คือสติมีเนื้อความตังต่อไปนี้ก็คือตัวสตินะชื่อว่าธารณตาคือทรงจําไว้ได้ด้วยเอ อ, องค์คำของสติเนี่ยนะคล้ายสัญญาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจํา มีความจำมันมั่นคงเป็นเหตุใกล้อะมาจากคาว่าธีระสัญญาปะทัฏฐานาก็ได้มีความจำที่มั่นคงก็เพราะความทรงจำเอาอะไรเอาปริยัตเท่านั้นที่ตนได้สดับมาแล้วได้ภาวะคือความไม่เลื่อนลอยโดยอัตว่ายังลงไปในก็คือกล่าวคือว่าเข้าไปจับไว้ชื่อว่าอปีราปนาตา ท่นอุปมาเหมือนอะไรเหมือนกระโลกน้าําเต้ากระโลกน้ําเต้าก็ลอยไปในน้ําชั้นใดสติจะลอยเข้าไปหาอารมณ์ฉะนั้นหาไม่ความจริงสตินี้ย่อมติดตามเข้าไปยังอารมณ์เหตุท่านท่านจึงบอกว่าอ ป, ปีรณาตาก็คือว่าไม่มีความเลื่อนลอยไว้สติชื่อว่าอาสัมมุติสนาตาก็เพราะมีความไม่ลืมกิตที่กระทำคำที่พูดนานๆได้ตรงเนี้ย ทำให้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลักษณะของสติตรงนี้ก็คือว่าลักษณะของท่านกล่าวไว้ในกรณีที่บอกว่าไปดูในเอกรณีบาทในด้านของอนุสติเนี่ยเขากายกรรมวจีกรรมต่างๆเหล่าเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมที่เคยทําไว้แล้วนานๆนตามระ ล, ลึกได้เห็นไหมลักษณะของสติเนี่ยเขาพุ่งแล่นไปขนาดนั้นเลยพุ่งแล่นไปในลักษณะอย่างนั้น ทีนี้สตินะเรียกว่าอินรีย์เป็นธรรมชาติยันไม่หวั่นไหวด้วยความประมาทเหตุ น, นั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าสติพระาเป็นต้นหล้วเนี้ยตรงนี้ไปดูในในสติปัฏฐานที่ไปยกมาในในคำภีร์เกี่ยวในเรื่องของมิรินทปัญหาก็มีเนะี่ยที่ท่านยกเกี่ยวในเรื่องของคําว่าสติเป็นต้นเขามาไว้ ก็คือต้องการให้รู้ลักษณที่จะตุกตาเป็นต้นของสติฉะนั้นในลักษณะของสติในที่นี้ก็กล่าวไว้หลายในย่า ก, ก็คือบอกว่าสติเป็นเหตุเหระลึกย่อมระลึกเองหรือว่าเพียงแต่ระลึกเท่านั้นเนี่ยสตินั้นเป็นอินทรีย์ว่าเราเป็นอธิบดีข้อความความเป็นใหญ่ข้อครอความความหลงลืมเป็นต้นทีนี้ท่านยกตัวอย่าง ที่บอกว่าลักษณะของสติเนี่ยท่านในมิรินทาปนาก็เหมือนกับขุนครังของพระราชารักษารัตนาทั้งสิประการน่ยก็ยัยงพระราชาให้กําหนดแทรกลึกถึงอิสริยสมบัติเวลาเช้าวเวลาเย็นท่านก็บอกพระนาคเษนก็จริงถวายพระพรพญามิรินบอกมหมาบาพิษขุน ค, ครังของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยย่อมให้พระเจ้าจักรพรรดิแลลึกถึงอิสริอิสริยยศหรืออิศริยสมบัติเวลาเย็นเวลาเช้าว่า ข้าแต่เทวะช้างมีประมาณเท่านี้ม้ามีประมาณเท่านี้รถมีประมาณเท่านี้มั้งคนเดินเท้าก็มีประมาณเท่านี้เงินมีประมาณเท่านี้ทองมีประมาณเท่านี้สมบัติทั้งปวงมีประมาณเท่านี้ขอเทวะจงระลึกถึงอิสริยสมบัติเหล่านั้นชั้นใดขอถวายพระพรมหาบพิษสติก็ชั้นนั้นเหมือนกันย่อมระลึกถึงกุศลธรรมทั้งหลายตรงนี้ท่านก็มาแยกสติระลึกในไหนระลึกในกายาน่ะ ในกายในเวทนาในจิตในธรรมะระลึกในส ม, มปทานสี่ในอิทิบาส4ในอิน 5, รี่ห้าพละหา้าโพชฌงเจ7แล้วก็อริยมรรคมีองแประลึกยังไงเลิกวันนี้สมถะนี้วิปัสสนาระลึกยังไงนี้อริยสัจนี้เป็นวิชานี้เป็นวิมุตเหล่านี้เป็นโลกุตรธรรมมหาบาพษษิสติมีการระลึกได้เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วง ก็สติไข้ควรคติทั้งหลายแห่งไปแห่งธรรมที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์รู้ธรรมทั้งหลายมีกายยะทุจริตเป็นต้นเหล่านี้ว่าไม่มีประโยชน์ย่อมบรรเทาธรรมที่ไม่มีประโยชน์รู้ธรรมมีกายยะโจริตเป็นต้นว่าอันนี้มีประโยชน์ย่อมประคับประคองธรรมที่มีประโยชน์ตรงนี้อันนี้คือหลักหลักการที่ท่านวางไว้ทีนี้มาเจาะรายละเอียดมาอ่านก่อนดีมั้ยเพรารู้อย่างนี้คืออ่านให้ฟัง ได้หลักการที่อ่านว่าไปางี้ใช่ไหมเราอ่านตามคมภี์ใช่ไหมในไหนนี่นงะสติอย่างเดียว อ, ยอืมลักษณะของสติเขาระลึกได้ใช่ไหมตามระลึกได้ก็ถามว่าท่านก็เลยถามว่าระลึกในไหนก็ระลึกในสติปัฏฐานระลึกในสมประทานอิทิบาทอินทร์พระพุทธชงอรอยิยมรระลึกในสมถาวิปัสนาใช่ไหม แล้วก็อะไรเลือกว่านี้เป็นวิชานี่เป็นวิมุตต์นี่เป็นอริยสัจเลือกว่านี้เป็นโลกุตระถ้าพูดอย่างเงี้ยหลายคนก็อ๋อสติเป็นอย่างนี้แต่ใช่ยังไงเขาใอย่างนี่เข้าใจพอใช่เรากล่วาวถึงสัมมาสติ <c oughs> ใช่ไหมสติบางครั้งก็ประกอบกับปัญญาบางครั้งก็ไม่ประกอบกับปัญญา ถ้าอยู่ในยานนวิปยุทธก็ไม่ประกอบด้วยปัญญาถ้าอยู่ในยาณสมยุทธก็ประกอบด้วยปัญญาใช่ไหมต้องท่องดิ่งอ่ะสมนัสศาสนาคตังยาณาวิปยุทธตังจุทที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนานะนะพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยปัญญาที่เห็นตรงนี้ไม่มีปัญญาประกอบเขาว่าเขาแปลงกันนะ ทีนี้ตรงนี้ก็คือว่าสติเนี่ยไปดูในสูตรอื่นประกอบใช่ไหมดูที่ที่เรียนกันมาในที่ให้ไปดูในมหาจารีสกัูตรก็จะเริ่มเข้าใจอย่างนี้ถ้าอ่านอย่างนี้นะแล้วก็เอ๊ะเราจะลึกลึกยังไงก็ตามไปดูในสูตรต่างๆมาเทียบเคียงที่บอกว่ารู้จักสมาธิิตว่าเป็นสมาธิิตรู้จักวิชาที่ว่าเป็นวิชาทติความรู้จึงเป็นสมาธิติ เพียรพยายามเพื to ่อจะละมิฉาทิฏฐิเข้าถึงเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความพยายามนั้นเป็นสัมมาวิมารสติตามและลึกเพื่อจะละมิฉาทิฏฐิเพื่อจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิสตินั้นเป็นสัมมาสติอันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่ารู้ว่ารู้ว่าสติปัฏฐานฉะนั้นในขณะที่ระลึกไปในกายเนี่ยระลึกไปในกายนั้นเราลึกเพื่อจะละเลย ละมิชฉาทิฏฐินั่นแหละความเห็นผิดคาดเคลื่อนว่ากายนี่งามนั้นการระลึกไปในกายเนะเพื่อจะละความเห็นคาดเคลื่อนใช่ไหมความเห็นคาดเคลื่นอนจากความเป็นจริง ว, ว่างามอ่ะอันนั้นคือมิจฉาทิฏฐิงั้นมิจฉาทิฏฐินี่มันปรักแน่นตอนนั้นตามระลึกเพื่อจะละละวิปลาสละมิจฉาทิฏฐิงั้นเพื่อจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิฉะนั้นสตินั้นจึงจะเป็น สมาสติที่เราอ่านตรงนี้เนี่ยเขามาใช้แบบนี้วิดีไข้ค ร, รวนก็ไ <steer. S 2> ข้ค ร, รวนอย่างนี้เอามาใช้ในชีวิตจริงก็ไข้ค ร, รวนอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นไปอ่านอย่างนี้มันก็จะจํากันอยู่อย่างนั้นแหละเลยยอ่อยไม่ได้กินเข้าไปถ่ายไม่ได้ลําบากไปหาหมออีกแล้วเข้าใจไหมครับ ง, งั้นมันต้องระลึกอย่างนี้ระลึกเพื่อจะล้าอะไรถ้าในกายละลมิจาลมิจฉาทิฏฐิก็คือที่ไปเห็นข้าเกลื่อนว่างามอยู่ไหม ถ้าไประ ล, ลึกไปในเวทนาละอะไรดีลามิจฉาทิฏฐิเหมือนกันนี่แหละเพราะเราไปเห็นว่าเป็นสุขทั้งๆที่เวทนานเป็นทุกข์เพื่อจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิจะได้เห็นที่ถูกต้องใช่ไหมท่านหนจิตล่ะไปลาอะไรดีใช่ไหมไปลามิจฉาทิฏฐิที่ไปเห็นว่าจิตนั้นเที่ยงใช่ไหเพื่อจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิทั้งการระลึกเพื่อจะละความเห็นผิดอย่างนี้แหละ เขาจึงเรียกว่าสมาสติท่านในธรรมานุปัสสนาก็มหยระลึกไปในธรรมานุปัสสนาเพื่อจะละอัตตาวิปลาสความเห็นว่าเป็นสันตว์เป็นตัวเป็นตนเลยนีเนี่ยตามระลึกอย่างนี้แหละก็ เ, เลือกระลึกเพื่อจะละแต่ต้องเข้าไปเพื่อจะเข้าไปถึงสมาธิไงแล้วก็ฉะนั้นในสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกต่างๆนั้นน่ยท่านสอนสอดคล้องกันหมดแหละแต่เราไม่พยายามคิดให้สอดคล้องเพื่อละเั้นต่อไปเอาใหม่ ตั้งหลักใหม่ตอนนี้เรานับว่าเรามีบุญแ น, น่นอนมีบุญที่ไม่ตายก่อนอนะ <c oughs> แต่อย่าดินดีพอใจแค่บุญแค่นี้นะต้องรีบเร่งเพียรแล้วใช่ไหมถ้าไปเกิดไปโอ้เรามีบุญเรามีบุญแล้วยุ่งเลยแต่เนี้ยแค่นี้พอไหมถ้าคิดแค่เนี้ยอื่งั้นต้องเพียรในลกนักษณะอย่างนะั้นต้องระลึกในลกนักษณะอย่างนะั้น ฉะนั้นถ้าบอกว่าขอถวายพระพรมหาวิสตินี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลให้ระลึกในกุศลธรรมทั้งหลายคือสติประฐานที่สมมาประธานสี่อิทิบาสี่อินทรีห้าพระราห้าพุทชงเจ็อริยมรรคมีองค์แปดนี้สมถานี้วิปัสนาเนี่ยริยศนี้วิชานี้วิมุตตินี้เป็นธรรมที่เป็นโลกุตตระมหาวิสติระลึกได้เป็นลักษณะด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยจบแล้วจริงๆต้อยกตัวอย่างใช่ไหมเวลาการทําความเข้าใจ ต่างๆวันนี้ต้องยกตัวอย่างยกหนึ่งตัวอย่างแล้วไปขยายสักสี่ห้าตัวอย่างได้ไหมยกสองตัวอย่างสองสาตัวอย่างต้องยกหมอต้องยกตัวอย่างเยอะๆเลยดิอ้าวให้หมอจะยกตัวอย่างก็สองตัวอย่างไม่เกี่ยวกับเจริญหรากไ้ความเข้าใจเอาความเข้าใจก็แล้วกันเยอะไหมอย่างนี้พอเข้าใจแล้วนะถ้ายกตัวอย่างนี้ เห็นไหมว่าว่ากรณีในลักษณะนี้ก็คือตรงนี้ต้องต้องกระจายความเข้าใจกันมาเพราะว่าเวลารเราบอกว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมานัตในโลกสะได้หนึ่งใช่ไหมมีความเพียรในที่นั้นคือเพียรละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสมาธิทิฏฐิเป็นต้นไล่ไปเถอะเพียรเวื่ะละ สัมมาสังกะปะสัมมามิจฉาสังกปะเข้าถึงสัมมาสังกะปะเนี้ยก็ค่อยงี้นะเขามีความเพียรกินความไปเยอะถ้าไม่เพียรขนาดนั้นไม่เล่าร้อนเรากิเลสผู้ผู้เพียรเล่าร้อนเองให <c oughs> <c oughs> ้องเพียรอย่างนั้นแหละเออไม่เพียรตามเพระพุทธเจ้าสงสารไว้ยศถามว่าจเจริญวิปัสสนาในลักษณะนี้ดูไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ไหม <c oughs> ยากไหมายากเลย ถ้าฟังแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยต่อไปจะเริ่มเริ่มไข่ควรเป็นอย่าลืมนะว่าถ้าฟังไม่เข้าใจเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงการไข่ครควรนะนั้นถ้าฟังไม่เข้าใจเนะ่ยอย่าไปพูดในเรื่องการจะไปไข่ควรอเอานี้ถ้าถ้าจเจริญสติไม่ได้แล้วเราจะทํายังไงใช่ไหมจะสอนปฏิบัติวิธีไหนที่ง่ายที่สุดเนี่ยมันไม่มี มันอยู่ที่ความเข้าใจให้ได้พอเข้าใจเบืเ้องตแล้วเนี่ยต่อไปว่าอ้าวไปปฏิบัติแค่นี้มันได้แต่ถ้ามันไม่เข้าใจอย่าง น, นะฟังนี้ยังไม่เข้าใจนะปฏิบัติแล้วจะไปเข้าใจเองได้ไงไไใช่ไหมตรงนี้นะเห็นไหมขนาดจำได้เนี่ยแต่ไม่รู้จะใช้อย่างไงเนี่ยมันก็มีปัญหาอี ก, กอาตอนนี้มีใครบ้างที่ เอตัวอย่างนี้น้อยไปขออีกหนึ่งตัวอย่างอะไรเงี้ยน้อยไปใช่ไหมแล้วที่เงียบเงียบอ่ะมาพอฟอแล้ ว, ว, วคื อ, ค, อคือในสติปัฏฐานที่เราจะเรียกนกันคือมีความเพียรมีสัมผชัญญามีสติกำจัดอภิชาและโทมานัตทีนี้ ต่อไปเนี่ยที่จริงมันพูดหน้าพระองค์หลังอยู่เนี่ยแต่วา่ากำลังเป็นตเนเองอยู่เนี่ยนะก็หมายความบอกว่าพอพูดถึงอัศธาทิฏฐิใช่ไหมก็หมายความว่าอัาธาไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิไม่ใช่อัาธาทิฏฐิก็อย่างหนึ่งอัาธาก็อย่างหนึ่งแต่ทิฏฐิจะเกิดร่วมกับอัศธาใช่ไ ห, ห, ห, ห, ห, ห <laughs> ามามันเป็นอย่างนี้แหละงั้ก็ต้องแยกให้ชัด ฉะนั้นพลละอภิชาเนี่ยแปลว่าตรัสทิฏฐินั่นแหละใช่มะต้องละความคาดเคลื่อนคือความเห็นผิดเป็นต้นนั่นแหละในกรณีที่ อ, อภิชาเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นกรณีที่สติก็ดีสมัมปชัญญาก็ดีเกี่ยวในเรื่องของวิริยะเป็นต้นก็ดีเนี่ยเพียรละก็คือเพียรละวิชาทิฏฐินี่แหละเริ่มเบื้องต้นเลย สติระลึกก็ระลึกละมิจฉาทิฏฐินี่แหละปัญญาวิจัยก็เพื่อจะเข้าไปรูปของจริงก็เพราะว่าไปกระจายหรือไปกระชากไอ้มิจฉาทิฏฐินี่นะที่มันยึดสิ่งที่ไม่จริงออกให้ได้เพื่อเอาสิ่งจริงเข้าไปแทนที่ใช่ไหมเพราะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขาไปตั้งความไม่จริงหรือไปยึดในสิ่งที่ไม่จริงมาอย่างนมนานแล้วแล้วก็ทําให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยไปเข้าใจว่าสิ่งที่มิจฉาทิฏฐิยึดไว้นะี่มันจริง แท่จริงมันไม่จริงใช่ไหมมันมันมันกราบจากสิ่งที่ไม่จริงแล้วมายึดถือสิ่งที่มันไม่จริงแล้วก็ไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นจริงลักษณะของมิจฉาทิฏฐิจะเป็นยังไงก็อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าดูอย่างมิจฉาทิฏฐินเนี่ยมันจะเห็นชัดก็คือว่าเข้าไปถือใช่ไหมอย่างผมงามเนี่ยขนงามเล็บงามฟันงามหนังเป็นต้นหเหล่านี้เป็นของงามอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเห็นไหม ของที่ไม่จริงเขาก็ไปยึดถือแล้วก็ให้ข้อมูลเราตลอดนู่นเนี่ยงามงามเนี่ยเที่ยงเที่ยงเนี่ยเป็นสุขเนี่ยดีมีสาระแล้วมันก็ยึดติดกันมาอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเรามาฟังพระธรรมเออจริงนะไม่งามมันก็แป๊บเดียวแค่นั้นแหละนะยก้าวมิจฉาที่จริงก็าอบงามอีกนั่นเป็นอย่างนี้ไหมละ<อ>่ะเนะี่ยไม่รักข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้นั้นกรณีที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเน่งกรณีที่ หนึ่งสมาทิฏฐิเนี่ยเวลาสมาธิฏฐิเกิดขึ้นไม่รักษาใช่ไหมไม่รักษาสมาธิฏฐินั้นพอสมาธิฏฐิจะเกิดแต่ละครั้งก็ยากอยู่แล้วพอเกิดได้สักครั้งหนึ่งพวกเนี่ยสมาธิฏฐิก็ต้องไปวิจัยไปเรื่อยๆก็เพียรพยายามเพื่อจะละด้วยเพื่อจะเข้าถึงสมาธิฏฐิด้วยสติก็ตามึกเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสมาธิฏฐิด้วยแล้วก็ใช้สมาธิฏฐิสมาวิยมัสสมาสติแวดล้อมสมาทิฏฐิเข้าไว้ อุปมาเหมือนใช้หม้อไปแกว่งว่าที่มีจอกแหนะแกว่งให้มันกระจายไปไกลๆแล้วอย่าหยุดแกว่งอย่าหยุดแกว่งอยวนน้าเนี่ยวนน้าเนี่ยไล่น้ําไปเรื่อยๆในส่วนจริงไอ้จอกแหน้มันก็จะกระจายกว้างไปกว้างไปตามลําดับเนี่ยนะในส่วนจริงๆแล้วมันก็จะชัดขึ้นแล้วสมาธิที่ก็จะกว้างขึ้นอารมณ์ใดที่ยังไม่ได้วิจัยเอามาวิจัยเสียที่มันเคยเห็นผีทั้งหลายเอามาวิจัยเสีะทําลายนิจฉาทิติเสีย เพมันเยอะถืออะไรไว้ผิดเนะี่ยเอามาวิจัยมันไม่เคยไปเข้าใจอะไรผิดนะ่ตามเก็บแล้ววิจัยให้หมดเถอะในสุดจริงๆสมาทิฏฐิก็จะได้ได้โอกาสวิริยะก็จะได้ช่องสติก็จะตามระลึกก็จะละเป็นต้นเหล่านี้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นการละแบบแต่ทางเข้าประหารเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะตามไปดูทิฏฐิก่อนกันแล้วกัน ต, ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเก็บในรายละเอียดก็มันมันจะเยอะเยอะต้องได้ตามอยู่แล้วตรงเนี้ย พอจริงๆเดี๋ยวมันจะพูดกลับไปกลับมาจนมิจฉาทิฏฐิจะไม่จบตอนนี้จะเป็นกังวลเรื่องวิจาทิฏฐิอยู่เพราะว่าถ้ารู้เขาไม่จริงเนี่ยลำบากกันนะจนมิจาทิฏฐิเนี่ยนะคำว่าลําบากในที่นี้หมายก็รู้ให้จบกระบวนความไปซะจะได้จะได้ไม่มีไม่มีประเด็นอะไร้งมาถามเรื่องวิจาทิฏฐิต่อไปถ้าใครพูดเรื่องวิจฉาที่ฐิบอกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาละนะนะบอก พอใครอาปาก็จะพูดว right> ิจฉาที่เดียวกเข้าใจแล้วแล้วเขาบอกว่าช่วยอธิบายที่บอกลืมหมดแล้วนี่ไม่ไม่เอานะบอกเหนเมื่อกี้หอบเก่าใจแล้วก็ก็ซักไปซักมาบอกรู้ได้เฉพาะตนก็ว่าเคยได้ยินไหมศักเนี่ยพูดบ่อยบ่แหมคําว่าปัจจิตังนี่ก็ใช้กับนู่นระดับโลกุตระนู่น บอกว่าแมรู้ได้เฉพาะตนคนเขายืมสับของท่านมาใช้จนคนเข้ใาใจสับนี้เสียกันทั้งประเทศแล้วอบอกถึงเบุตระงานีปัจจตังบอกเนี่ยมเป็นปัจจตตังหมดเลยอะไรก็ปัจจิตตังเ ล, เลยเลยมาฟังแล้วกันนึกแต่ก็ดีเมื่อคิดอีกทีนะ อันีดูในเอาแผ่นของมิจฉาทิฐีที่เอาได้เอกสารมามาดูประกอบก็จะจ ะ, จะจะจะช่วยอะไรได้เยอะเนี่ยก็ต้องขอบขอบใจผู้ที่ทำมันเออในปุพันธ์ตากกับิกะทิถีนี่นะหรือท้าศึกแปดเนี่ยนะมีสัสตตตทิฐีเห็นว่าเที่ยงอ่ะสี่ประเภทเนี่ยเอกจ่าสัสตตาทิฐี เห็นว่าบางอย่างเที่ยงอีกสี่ประเภทใช่ไหมอันตานันติกาทิฏฐิก็เห็นว่าโลกมีที่สุดและก็ไม่มีที่สุดอีกสี่ประเภทอมราวิเคปะทิฏฐิอันนี้ความเขียนที่ซัดใส่ไม่ตายตัวอีกกี่ประเภทอีกสี่ประเภทแล้วก็อันนี้ในกลุ่มของปุทพันธ์ ปูพันตากปิกะทิถีิประเภทอันนี้เกี่ยวกันในเรื่องของมิจฉาทิฐิที่ปารบส่วนเบื้องต้นส่วนเบื้องต้นก็คือปารบอดีตทิฐีเหล่านี้จะถูกละได้ด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะแล้วก็ความเพียรเป็นต้นในการที่จะตามระลึกในอดีตแล้วก็ละใช่เพราะว่าทิฐิที่เป็นปลารบอย่างนี้ เกิดอยู่ตลอดในสัตว์ทุกจำพวกยกเว้นพระโสดาบันนั้นคนที่ยังไม่เป็นว่าโสดาบันนั้นน่ะก็จะมีกันทุกทั่วตัวบุคคลฉะนั้นตรงนี้แหละพระองค์จึงวางวิปัสสนาไว้ในการที่จะละปุคพัาตา ก, กับปิกาทิถีและก็อกุศลธรรมมันลามกทั้งหลายที่เกิดร่วมกันกันกบมิจฉาทิถีเหล่านั้นตรงนี้จะเข้าใจได้ดีชัดขึ้นก็คือศึกษาใน ม, <Lil it distancing> มหาจตารีสกัดสูตรเป็นต้นเหล่าเนี้ได้เข้าใจชัดแล้วเชื่อมโยงในสูตรเนี้ยนะฮะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วบอกว่าในบรรดามิจฉาทิฏฐ <ane. S 2> ิท <t> <ii> ั้งหลายแล้วก็ปัจจัยหรืออกุตุรธรรมอันลามกทั้งหลายที่เป็นปัจจัยให้กับมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนะสิ่งต่างๆอหล่านี้จะถูกเลาะได้ด้วยปัญญาหรือสมาธิิแล้วกระทำที่เกิดร่วมกันกับปัญญาหรือสมาธิฐนั้นด้วยเห็นไหมว่าในกรณีที่มิจฉาทิฏฐิ เขาก็มีปัจจัยของเขาคืออัุตตธรรมอันลานมกทั้งหลายสัมมาธิฏิก็จะมีปัจจัยของเขาใช่ไหมคือกุตตธรธรมทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ที่จะเป็นปัจจัยกับส ม, มาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเหมือนกันถ้ามิจฉาทิฏฐิเกิดและอัคุตตธรรมของเขาได้ปัจจัยเขาก็ให้ผลส่งผลหรือว่าเกือ้อหนุนขึ้นมาตัโลกก็เข้าใจผิดไปปารบอดีตก็ปรารบแบบมิจฉาทิฏฐิ ปาโรบเป็นไปในส่วนของปุพานตากกัปิกะทิถีทั้ง18ประเภทจำที่ได้กล่าวสัสตาทิถีเอกจ่าสัสตาทิฐีอันตานันติกะทิถิอมมราวิเคปาทิถีแล้วก็อาทิตย์จ่าสมุปันนาทิถิเห็นไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือก็เกิดขึ้นที่บอกเห็นว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมอันตรายไหมว่ากรณีที่บอกว่าอาทิตจ่าสมุปันนาทิถีเป็นต้นหรือในทั้งหมดเนี่ย ทำไมว่าวิปัสสนาญาณที่พระองค์ทรงสอนก็ไว้ใช่ไหมทำไมต้องตามระลึกอดีตในการที่จะละความเห็นผิดเพราะความเห็นผิดนี้มีอยู่และปฏิเสธไม่ได้ด้วยฉะนั้นวิปัสสนาญาณทั้งหลายจึงต้องย้อนอดีตในการที่เข้าไปละวิริยะและสติเป็นต้นก็ต้องตามวิปัสสนาสมาธิเพื่อจะไปอะไรตามสัมโนนภาคต ถ, ถาจารย์ทั้งเลวว่าตามไปถางยาก ในกระแสะขันท่าไดยตนาที่ปารลบอดีตผิดพลาดเนี่ยถ า, นะางถางเบ็ดเสร็จแล้วก็เหมือนกับการได้กอเอาไม้เอาเอาหญ้านะั้นนะกองแล้วก็ไปจุดเผาเสีย้ยนั่นต้องล้าอย่างนั้นแหละถ้าอย่างนั้นในที่สุดจริงๆก็คือคิดอดีตก็ผิดพลาดอยู่ดีฉะนั้นคนที่คิดอดีตไม่ผิดไม่มีความเห็นผิดคือพระโสดาบันเพราะท่านจัดการ ถางแล้วก็สามารถปลูกอะเรียมักลงในกระแสขันธาตุยะตนาของท่านได้แล้วทำเสอดาปฏิมาให้เกิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นท่านจะคิดอดีตท่านไม่ต้องกังวลใช่ไหมเพราะท่านไม่ต้องโหยหาอดีตแล้วด้วยอำนาจของตัณหามันาทิถีแล้วก็ท่านลา้ะละทิฐิที่เป็นใบเปล่าลบจนอดีตเป็นตน้นได้อ่าต่อไปอปรันตากปิกะทิถีในสี่สิบสี่ ในสี่สิบสี่เนี่ยเป็นไปในส่วนของอนาคตเป็นไปในส่วนของอนาคตสัญญีวาทะสัญญีวาทะเนี่ยวาทะที่เห็นว่าหลังจากตายแล้วอัตามีสัญญาเนี่ยนะอาสัญญีวาทะก็เห็นว่าหลังจากตายแล้วเนี่ยอัตาไม่มีสัญญาเนว่าสัญญีนาสัญญีวาทาทิฏก็เห็นว่าหลังตายแล้วอาตามีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เนี่ยนี่แปดอุเฉทวาตุนี่คือเห็นว่าขาดศูนย์นี่เจ็ดแล้วก็ทิฏฐาธรรมานิพานนี่ก็เห็นนิพานในปัจจุบันเนี้ยอันนี้ห้าอันนี้เป็นอปรัญตากบเบกะวัฏทิฏฐินี่ในส่วนเนี้ยเป็นไปในส่วนของอนาคตนั้นที่เป็นไปในส่วนของอนาคตเนี่ยก็ต้องใช้วิปัสสนาสมาธิฏฐิแล้วก็อุรยาที เกิดร่วมกับวิปัสนาสมาธิถี่สติที่เกิดร่วมกับวิปัสนาสมาธิถีนั่นแหละเป็นปุเรจาริกของมรคธาสมาธิถิก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์พระอราจารยยานท่านโอมานี่นและก็จัดการถางเบ็ดเสร็จก็ย่าหรือว่ารบชัดทั้งหลายเหล่านั้นเสียมากรรถไฟเผาเสียโดยทางพระบัาขันส่วนอีก20จสิบัคยะทิฐีที่มีวัตถุ20นั่นแหละที่เป็นไปปรลในขันในปัจจุบันเป็นต้น อันนั้นก็ต้องเจริญวิปั ส, สนาที่เป็นไปในปัจจุบันนภนี้ด้วยใช่ไหมที่เป็นไปในปัจจุบันด้วยอันนั้นก็จัดการถอนสกฤตทิฏฐิที่เห็นเป็นตัวเป็นตนเสียรวมเบสเ็ตก็อยู่ในหกสิสองนี่แหละเพราะสกฤตทิฏฐิได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นแกนกลางของมิจฉาทิฏฐิหกสิบสองมีเป็นอย่างนี้นะทีนี้ไปดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าสัตสตาทิฏฐิเห็นว่าเที่ยงเนี่ยสมณพราหม์ได้เจโตสมาธิ ตรงนี้เขามีปุเพนิวาสะนะระลึกชาติได้ต น, นเองหนึ่งชาติไปจนถึงแสนชาตินี่รู้รายละเอียดได้เพราะงั้นรู้ชื่อรู้โคตรรู้ผิวพรรณอาหารสวยสุขทุกข์กําหนดอายุอัตราโลกเที่ยงขันทั้งหมดเป็นอัตราโลกจุติอุบัติเสมอคงที่เพราะงั้นอันนี้ก็เห็นผิดอีกกลุ่พวกนี้เห็นผิดระลึกยังไงก็เห็นผิดประการที่สองระลึกตั้งแต่10กลับไปจนถึงสังวัตตะกับแล้วก็วิวัตตะกับ ก็เป็นสังวัตกาบวิวัตกาบนี่เป็นชื่อชื่อของการเกิดขึ้นของโลกและการดับไปสลายของโลกนั่นแหละแล้วก็รู้จักโคตรผิวพรรณอาหารสวยสุขสวยทุกเห็นไหมว่าสังเกตดู ว, ว่าสัสตตติทิถิกลุ่มนี้ที่ระลึกไปในอดีตนั้นนี่ยอย่างยาวนานเนี่ยระลึกไปได้รู้จักโคตรผิวพรรณอาหารสวยสุขสวยทุกกําหนดอายุอัตราโลกเที่ยงเป็นต้นขันทั้งหมดเป็นอัตราเนี่ย ไปเห็นขันในความเป็นอตาเห็นจุติเห็นอุบติเสมอและคงที่เสมอคงที่ในที่นั้นก็หมายความว่าเที่ยงและลึกยาวไกลขนาดไหนขนาดถึงสี่สิบกับเนี่ยก็ตั้งแต่หนึ่งกับจนถึงสิบกับแล้วก็ตั้งแต่สิบกับไปจนถึงสี่สิกับนี่นะเดรธีเนี่ยลึกไปยังไงก็ไม่สามารถจะทําปัญญาให้เกิดขึ้นมาได้เพราะเพราะวิปัสสนาญาณไม่เกิดหนึ่งวิปัสสนาสมาธิฐไม่เกิดแล้วก็วิริยะ ที่เกิดร่วมกับสมาธิิตไม่เกิดสติที่เกิดร่วมกับสมาธิฐก็ไม่เกิดเห็นไหมร ะ, ะลึกไปเหอะก็พลาด <thousands. S 1> เขาไม่เคยเห็นความเป็นไปของขันธะไดยตนะแต่เขาเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลแล้วก็เห็นด้วยความเป็นอัตตาเห็นด้วยความเป็นกองเที่ยงเป็นต้นนะการระลึกไม่ได้ช่วยอะไรเลย <S <S อย่างนี้เขาเรียกว่าได้ฌานจริงแต่ฌานนั้นไม่มีสมาฌานสมาธิไม่เกิดเข้าใจยัง เีฌานได้เจโตสมาธิได้อภิญญาได้ระลึกชาติได้แต่การระลึกชาติได้นั้นน่ยแทนที่จะเกื้อหนุนทําให้เกิดปัญญามากขึ้นแต่ในที่สุดทําให้มิจฉาทิฏฐิได้กําลังมากขึ้นกลายเป็นสัจสตาทิฏฐิน่ากลัวมากเห็นไหมตรงนี้ต้องละแล้วในกระแสขันธ์ธาตุอเยตนาของท่านทั้งหลายเคยมีมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ฝังเป็นอุปนิสัยไปใจหมดเลยถ้าไม่ละจะทํำยังไงถ้าไม่ถากถางจะทํำยังไง มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, นะเรื่องอย่างนี้นะมันเคยฝังแน่นในความเข้าใจของสัตว์มาแล้วอย่างยาวนานฉะนั้นการถอนตะปูดอกนี่ยาวมากเป็นตะปูตึงใจตึงขันธาดยธายาตนะจะถอนอยังไงเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่เจริญถ้าไม่ใค ร, คร่ครวนไม่เจริญวิปสัสสมทัทฐานวิปัสนาในภาษาศาสนาอย่างยิงอย่างใหญ่ไหมก็ไม่มีวันจะถอนได้แล้วก็ไวนางเจ็บปวดกันต่อไปกลุ่มที่สี่ก็กลุ่มนักคิด ตีตรองเราคิดว่าเที่ยงจุดติอุบัติคงที่ไว้ต้นเนะี่ยตรงนี้ก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยสัสตตทิฏฐิเนีสี่ประการนี้ก็เรียกว่าเห็นในเดียเที่ยงนี่ประการหนึ่งอ่ะดูแผนต่อไปนะนี้เอกจ่าสัตตาว า, าททิฏฐิเนี่ยบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเมื่อกับกําลังพังพินาตเกิดอภัสรพรมขั้นโลกเจริญขึ้นแล้วก็เคลื่อนมาเป็นหมาพรม คือก็ตายมาจากอรสารพรมว่างั้นเดิ๋มาเป็นมหาพรหมนานเข้าอยากได้เพื่อนก็คิดนั่นแหละพอคิดมาก็มีเพื่อนอุบัติเกิดมาดังที่ได้กล่าวนั่นแหละก็เลยคิดว่าตนเองเนรมิตขึ้นมาได้ในที่สุดจริงๆสัพที่สัตว์ที่ตามศัพท์เคลื่อนมาเป็นมนุษย์ก็หมายความว่าบุคคลที่เป็นพรหมมาก่อนนะ่ะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ลึกไปแค่ได้เท้ามหาพรหมก็บอกพรหมเที่ยงเราไม่เที่ยงไหนะบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเป็นอย่างงี้ นี่คือกลุ่มเห็นได้โดยตนเองแต่เห็นแบบวิจฉาทิฏฐิไม่มีวิปัสนาสมาธิฐไม่มีวิริยะและสติที่เกิดร่วมกับวิปัสนาสมาธิฐเห็นก็ไปเข้าใจว่าเทียมเห็นไหมโทษของการที่ไม่มีวิปัสนาสมาธิฐเนี่ยโทษการไม่ศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยต่อให้ระลึกเองได้เประลึกเถอฉะนั้นถ้าเราบอกว่าไม่ทําความเข็นให้เป็นสมาธิก่อน แล้วไประลึกขันท่าตยตะนะระลึกไปสิมันจะได้วิชฉาทิฏฐิกลับมาแล้วก็มานอนเจ็บปวดกันทุกวันเนี้ยใช่ไหมเพราะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีสมาธิที่ก็ระลึกได้เนี่ยเอาสิเนี่ยเขาระลึกอดีตก็ได้ใช่ไหมกลับอยาพรมทาชาให้เกิดระลึกกลับไปถึงพรหมก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วถ้าอะไรเนี่ยอภินยาได้สมาบัติได้แต่ระลึกแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิ ใช่ไหมเอาสมมติเราไม่รู้จักสมาธิที่ไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิเลยแล้วก็ไปบอกว่าเอาปฏิบัติกําหนดอย่างเงี้ยจะได้อะไร<ม>ก็จะได้มิจฉาทิฏฐิไง<ม>ก็คือไปให้เราระลึกอะ่ะแล้วก็ระลึกใช่ไหม<ป>ไม่บอกลักษณะว่าอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เป็นสมาธิอย่างนี้เป็นสมาสังกปานี้มิจฉาสังกป่าไม่ไม่บอกวิว่าเป็นยังไงแยกแยะให้ดูเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไง ใช่ไหมมันก็ไประลึกผิดอีกแล้วเรายังไม่รู้เลยครับว่าจิตที่มันเกิดเนี่ยเป็นสมาธิหรือมิชาทิฏฐิอันนี้สําคัญนะดรดาเข้าใจไปที่บอกเนี่ยแล้วก็ไประลึกกันอย่างเงี้ยก็เราไม่รู้อ่ะพอระลึกแล้วมันก็วยละมันจิตสงบก็ชาดใช่ไหมก็ระลึกให้ได้ชาดยังได้ระลึกให้ได้ปัญญายังได้เลยเอาสิ มันไม่ให้ไประลึกเองเราเป็นสาวกของพระพุทธบาเอออย่างเนี้ยให้เข้าใจอย่างนั้นฟังให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยไประลึกค่อยไปค่าควรกันใช่ไหมอย่าใจร้อนมันจะร้อนใจไปหลังนี่แหละอันนี้เขาประมาทอีก คือไปเนี่ยดีแล้วแต่ว่าให้ทําความเข้าใจให้ถูกเอางี้จบตรงเนี้ไปได้เลยไปเถอะแต่แต่แต่ให้ไม่ใช่หมายถึงเรียนแล้วทําความเข้าใจเสร็จเนี่ยแล้วไปได้เลยแต่เนี่ยอันนี้ไปโทษคนสอนไม่ได้นะไปโทษเราจับประเด็นผิดนะท่านรองเราจะไปจับประเด็นผิดไปจะไหม เพราะว่าจริงพอเอาแล้วแล้วตรงเนี้เป็นเป็นข้อคิดเลยแหละ ว, ว่าเขาได้ยันสมาบัติ mm hmm. เขาก็ไปคิดเองแล้วเขาก็ไปเห็นเองจริงๆด้วยเห็น mm hmm. ไหมฉะนั้นที่บอกไปเห็นเองวางคําสอนทิ้งแล้วไปปฏิบัติอีกอย่างแล้ว เ, เห็นเองขึ้นมาเนี่ยก็ไปนั่งคิดว่าจะเป็นไหนนี้ไหมเนี่ย mm hmm. ก็เราไม่ใช่เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าหพระปัจเจกแค่นี้มันจบแล้วนอกนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรกันแล้ว อย่าวางอย่าวางปริยตัติอย่าวางพระเจ้าทำแล้ววินัยที่ตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วทําวินัยนั้ น, จ, นจะเป็นศาสดาของเธอจะเป็นศาสดาของเธอใช่ไหมแล้วลองมงดูี่แล้วแปลกนะบางคนไม่เห็นพระทแทรกละชละอาจเป็นศาสดาไอย่างเนี้ยทําไมไม่เห็น เพระพระศาสดานุญาตไว้ไหมตรงเนี้ยอนุญาตไว้ว่าเป็นสถานที่ที่ควรไปแลไปดูไปสักการะใช่ไหมนั่นแหะคือศาสดาของเรานั่นแหละคือศาสดาของเราเข้าใจไหมนั่นแหละคือศาสดาของเรานี่นี่เรานึกไม่ออกไงอัถะตรงนี้ยนึกไม่ออกเพราะพระศาสดาทรงอนุญาตไว้ <S S <ม>ก็พระธรรมวินัยจะเป็นศาสดาใช่ไหม เมื่อพระาศาสดาอนุญาตสถานที่ตรงไหนไว้สถานที่ตรงนั้นเป็นาศาสดาของเธออนุญาตอะไรบ้างอ่ะใช่หไหมต้นพระศีมหาโพอนุญาตอะไรพระแทนวชชะอาอนุญาตสถานที่ประสูติตัรุปปริิญพานทรงบริโภคใช้สอยอะไรบ้างวะนั่นแหละนั้นจะเป็นาศาสดาของเธอนี่บางคนเข้าไปห า, าศาสดาก็าไปมีปฏิกิริยาไม่เคารพไม่นอบนอบ้อมเอ้าทําไมเป็นอย่างนั้น เนี่ยตรงเนี้ยเวลาพยัญชนะแค่เนี้ยก็เข้าถึงอัตถะของพยัญชนะกันไม่ได้มันก็ติดอยู่กับพยัญชนะนี่แหละเลยมีพยัญชนะมากมันเลยไม่ค่อยได้ประโยชน์สําหรับคนเข้าถึงอัตถะไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวนี้ทั้งๆ ท, ที่พยัญชนะนมีประโยชน์อย่างมากใช่ไหมทั้งๆทีทพ่พระศาสดาพูดก็ไว้เนี่ยแต่เราก็มอง มองหน้าพระาศาสดาไม่ออกเราไม่เห็นท่านเน่ะไม่เห็นพระาศาสดาใช่ไหมเราไปหน้าที่ตรงนั้นก็ไม่เห็นพระาศาสดาประทับทั้งๆ ท, ที่พระาศาสดาอนุญาตไว้ว่านี้นี่นี่ น, นี่ตถาคตอนุญาตไว้ไปมองก็เหมือนไงฮะอันมาไปดูก็นึไม่ออกไม่เห็นาศาสดาคของตนมันมันพูดลําบากกันนะนะ เพราะเราก็ไม่เห็นจริงๆถ้าเราไม่ไม่ใคร่ควณก็ไม่เห็นจริงไหมอยอมจะไปนึกยังไงอ่ะว่าพระศาสดานุญาตอย่างนี้ทั้งๆที่ท่านพูดไว้พร้เจ้าบอกว่าทำวินัยจะเป็นาศาสด า, าทํำวินัยบอกอะไรวอ่้ถ้าบอกอย่างนี้ก็ไว้ก็อนี่าศาสดาใช่ไหมเราเห็นเนี่ยเราเห็นคุณเนี่ยเราเห็นคุณและเราเข้าใจด้วยนะว่าคุณนั้นคืออะไรใช่ไหม อยอมมองเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่รยอมมองเห็นไหมเห็นมเนยนั่นแหละที่เหลียวบอกอะไรมาถามโยมเห็นไหมต้นภาษีมหาโพเป็นศาสดาไหมทาไมถึงเป็นเพราะอะไรนี่เห็นไหมเพราะ พระศาบอกว่าทำแล้ววินัยเป็นศาสดาใช่ไหมของเธอใช่ไหมคือของเราใช่ไหมหลังการล่วงไปของเราใช่ไหมทีนี้ <the ir> สถานที่ตัดสลุพระศาสดาอนุญาตไว้ไหม <the ir> อนุญาตไว้ให้ไปสักการะไปบูชา <the ir> ที่ตรงนั้นจึงเป็นศ <the ir> าสดาเพราะเป็นธรรมวินัยบอกไว้เ <the ir> พราะ <the ir> พระธรรมวินัยบอกไว้พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าที่ตรงนี้ควรเป็นแลไปดูไปเห็นไปสักการะไปบูชาไปทําความ สังเวชาให้เกิดขึ้นสังเวชาองค์ธรรมนี่แก่อะไรอ้วาวเจรจาเนีย่ยไม่ทราบเกี่ยบมรดิกามาแปลใบนั้นที้มานั่น <c oughs> <c oughs> ความเพียรกับปัญญานั่นแหละ <c oughs> ใช่ไหมความเพียรที่ประกอบไปด้วยปัญญานี่แหละหรือสติด้วยนี่แหละมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินี่แหละคือคือสังเวคะคือให้ไปเห็นสติปัฏฐานตรงนั้น ให้ไปเห็นสมณประธานนะตรงนั้นให้ไปเห็นอิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพราห้าโพชงเจ็ดอารียามากมีโอแปดตรงนั้นว่าที่ตรงเนี้ยพระบรมศา ส, สดาประชุมโพธิปักยถาธรรมตรงนี้นะที่ที่ยิ่งใหญ่มากนะต้องสะเทือนใจนะว่าพระาศาสดาจะตัดสู้แล้วปรินิพานแล้วแล้วเราเป็นสาวกของท่านเราได้อะไรมรดกเราได้อะไรไปไปถามนี้กลับไปต้นพระศรีมหาโพลไปนั่งถามสักร้อย ร, รอบ ว่าเราได้อะไรบ้างเนี่ยจากการที่เป็นสาวของท่านเนี่ยเราทำอะไรบ้างที่จะบูชาคุณขัานบ้างเราจะบูชาคุณท่านยังไงให้สมกับพระคุณที่ท่านให้กับเราไปถามเดี๋ยวท่านจะตอบถามตั้งคำถามไปตั้งคำถามไปถ้าไม่ถามอย่างเงี้ยเราจะได้คำตอบไหมท่านต้องถามได้ใช่ไหม ต้องถามเป็นกระเทตุกรรมัมยตาปุดฉาเนอะถามเองตอบเองเอกคําสอนพระเจ้ามาตอบเนะยตอบตามพรก็ทำปะเนี่ยแล้วจะได้เข้าใจอยังต่อไปจะได้ไปที่ตนพระศรีมหาโพจะได้ไม่มืดมุนน้มามาบางทีเข้าใจประเด็นผิดเยอะเลยนะตั้งแต่กเกิดนะบางครั้งไปเนี่ยมาึกว่าทุกคนคิดกันได้แล้วใช่ไหมมาก็พูดอีกมุมหนึ่งไปเรื่อยเลย แล้วบางทีกลับมาก็มานั่งสอบถามรายละเอีดีกทีเอาตายแล้วเขาไม่ได้คิดอย่างที่เราคิดตอนแล้วเนี่ยเอาใหม่แล้วมันก็เลยไม่จบประเด็นความสักคีเลยเนี่ยบางทีไปแต่ละครั้งเนี่ยนะเนี่ยก็เออวัเราไปเราเราก็ไปนํานําไปอีกมุมนึงเลยใช่ไหมเราคิดโอ้โหทุกคนตั้งใจแล้วรู้แล้วตรงนี้เป็นศาสดราแล้วเนี่ยแล้วก็ไปพูดไปอีกมุมนึงแล้วพูดแบบนอบน้อมบางอะไรบางไปเนี่ยนะ เดี๋ยวไปเขาเขาก็ไม่ค่อยตามเราเท่าไหร่เนี่ยนะเพราะาบากใจจยงโอ้คิดไม่เท่ากันนะุคนคิดไม่ เ, เท่ากันไม่คือเราเห็นว่าแต่ละกลุ่มเขาฟังพระธรรมมาแล้วใช่ไหมเอามีความบากบั่นที่จะไปกันแล้วอมาก็มองมุมม า, เ, าเพิ่มศรัทธากันยังไงเท่านั้นก็ไม่ได้มองประเด็นตรงนี้แนละ้ว เพรพอนั่นก็จริงพอกลับมาก็มาสรุปประเด็นโอ้อยังไม่จบกระบวนความอีกแล้วต้องต้องต้องต้องคิดใหม่อีกแล้วต้องคิดใหม่อีกแล้วโอ้เป็นเป็นคือคื อ, ค, อคือตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญใช่ไหมสาหรับใครจะไปโอโ๋วได้เปรียบเลยเดี๋ยวนี้ไปใครควรใช่ไห ม, ไมเพราะเพออย่างนี้ก็โอ้ไปแบบนอบน้อมเลยเดี๋ยวนี้ ไปแบบนอบนๆเลแล้วอย่าอย่าไปกังวลมากกับบุคคลอื่นพรองทีเราไปเยินคนอื่นก็นั้นๆเราก็จอยอะมุ่นเย็ดอยากระวางจิงตให้เป็นระวางจิตเราจะไปเป่าศาสตราใช่ไหมเรื่องอื่นจะล้องหมดเลยนะแต่เนี้ยนะเรื่องการเป่าศาสดาจะเป็นอารมณานิที่ดีทันเดีเป็นอารมณูปนิสัยเลยใช่ไหมเรีนปัจจัยแล้วเป็นอารมณาทิ่ดีได้ไงเป็นอามณูปนิสยัยปัจจัยได้ไงเป็นอรนารมณาปัจจัยได้ไงใช่ไหม ก็ใครควรดูเลยนะเอาทัมมองทัมมองทางทว า, ตานะ ร, ร, าราตาใช่ไมได้ไรล่ะอารมณะปุเรชาติใช่ไหมอรมารมณะปุเรชาตาิทีใช่ไหมอารมณะปุเรชาตะอารมณะปัจจัยอารมณปุเรชาตอารมณะปุเรชาตะทิเป็นตัวเหรอเนี้ย น, นะอรนารมณะปุเรชาตาวิคตาเออได้สี่ปัจจัยใช่ไหมได้สีป่ปัจจัยอ้าวให้ให้เป็นหกได้ไหม ได้เนี่เป็นอารามนาทีบดีอารามนุยเป็นหกก็อยู่ใช่ไหมห่างใจหกเราต้องได้6ปัจจัยที่เป็นกุศลให้ได้ให้ได้อย่างนั้นท่าเรียนปัจจัยมาโยมออกก็ชอบเรียนปัจจัยใช่ไหมามาเชื่อมโยงมาถ้าเรียนปัจจัยต้องให้ได้ปัจจัยหกที่เป็นอารามนาชาติเนะ่ยที่เป็นอารามนาทีบดีและอารามนุปนิสยะห์ทางมโนทางทุกตวร์น่ะทางจากขคตวร์เชื่อมโยงลงมาแล้วให้สู่ลงทางมโนทวารยังไงแล้วให้ได้ปัจจัยที่มันเชื่อมโยงถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วให้เกิดความตื่นเต้นยังไงใช่ไหมเห็นธรรมของพระเจ้าอย่างไรเข้าใจอัฏฐาและวพยัญชนะอย่างไรเป็นต้นเหล่านี้ถ้าอย่างเนี้ยบุญเกิดก่มามาจโมทนาแล้วโมทนาอีกเลยสาธุสาธุตลอดเลยอย่างนี้นะแต่ไปชมปัจจัยตรงนั้นได้ต่อดเลยแล้วเขาบอกพิจารณาใช่ไหมวิจารณ์ใช้ไม่ได้ต้องระวังใช่ไหมต้องเอาไปใช้เด้ เอาตอนนี้ดูต่อไปนะเนี่ยอันอันตาไอเนี่ยเอกจาศตาวทาเนี่ยในกลุ่มที่สองอธิบายเป็นวานีเทวดาที่เป็นขิดดาปะโทสิกะหมกมุ่นในความรุ่นลมนเนี่ยนะตรงเนี้ยจุดติมาเป็นมนุษย์แล้วทําเจโตระลึกได้อีกก็เลยไปคิดโอ้เทวดาอย่างเราเนี่ยไม่เที่ยงหรอกงั้นที่เคยเป็นเนี่ยสัตว์อื่นเที่ยงหรอกงั้นทีนี้ พ ว, พวกที่ไม่หมกมุ่นเนี่ยเที่ยงไอเราหมกมุ่นในกรรมคุณไม่เที่ยงท mm hmm. <laughs> ี่ประการต่อมาเทวดาเนี่ยมโนปโธสิกะ mm hmm. นี่โกรธ mm hmm. โกรธแล้วตาย mm hmm. ตายแล้วก็ลงมาข้างล่างนั่นแหละเางั้นนี่ mm hmm. ก็รละลึกได้อ๋อ oh, พวกที่ไม่โกรธนี่เที่ยงไอพวกขี mm ่โกรธไอพวกที่โกรดนี่ไม่เที่ยง mm hmm. แล้วก็ตกเต๋อกาพวกเนี้ยไม่เที่ยง แล้วก็เทียเท่ยงบ้างไนมะ่เที่ยงบ้างเนี่ยมันแต่ละบางกลุ่มก็ไปใกล้ควรกันนีอันตานันติกะทิฐิอันนี้มีที่สุดแล้วไม่มีที่สุดเนี่ยนะสมณพราหมณ์ได้เจโตสมาธิไม่ได้ขยายปฏิภาคเป็นไปในขอบจักรวาลทิฏี่ว่าโลกนี่มีที่สุดเลยพวกเนี้ย่เพราะว่าขยายไปไม่สุดพวกนี้ขยายปฏิภาคไปถึงถึง ขอบจักรวาลเลยตรงนี้มีที่ถืว่าโลกนะ่ะไม่มีที่สุดเลยขยายไปขยายไงก็ไม่ถึงเนี่ยนะบอกโอไม่มีที่สุดเลยอีกอย่างหนึง่งไม่ได้ขยายด้านบนด้านล่างนะก็คือขยายในด้านด้านบนด้านล่างมีที่สุดด้านขวางไม่มีที่สุดก็ว่าไปเถอะพวกตรึกเนี่ยพวงนักคิดนี่ก็เป็นไปพวกนี้เป็นไปด้วยอํานาจของพวกเจโตสมาธิเห็นไหม ทั้งๆที่ระลึกได้ก็เป็นมิจาทิฏฐิอยู่ดีนั่นแหละทีนี้ประการต่อมากลุ่มอมราวิเคปะนี่พวกนี้ซัดสายเนี่ยนะอมราวิเขปาทิฏฐิเนี่ยคำแปลวาจาที่ไม่มีที่สุดๆไม่หยุดอยู่กับที่ไรหลักการหรือไรจุดยืนเนี่ยพวกนี้นะัดสายถ้าถามอีกทีน่ะอย่าไปบอกว่าเขาไม่มีปัญญาถ้าในทัศนะของกัมมเนี่ย ดูแล้วเออไม่ใช่ใหญ่ไปเรียกปัญญาเรียกไงเขาเป็นคนกลัวดีกว่าเนาะเช่นประการแรกเนี่ยกลัวว่าจะกล่าวเท็จถูกถามตอบไม่ตายตัวอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่ก็ไม่ใช่ทั้งประการเนี่ยประการที่สองกลัวติดใจผูประธานขัดใจก็เคยถูกถามก็เลยตอบดังที่ได้กล่าวกลัวว่าผู้รู้โต <c oughs> ก็คือว่า จริงในหลักการเนี่ยเขากล่าเขาไว้ว่าว่าวาจาที่เป็นวิเคป่าเขาวิเคราะห์บอกว่าความซัดสายแห่งวาจาเรียกว่าวาจาวิเคป่าเนี่นะวัตถุอมราวิเขป่าวาทะวัตถุเนี่ยมีอสี่อย่างกลุ่มแรกคือมุสาวาทะไผ่กลัวและรังเกียจว่าจะเป็นมุสาวาในกลุ่มที่สองพวกอุปาทานะภัยก็หมายความว่ากลัวและรังเกียจว่าจะเป็นอุปาทาน จะยึดมั่นถือมั่นก็เลยปฏิเสธไปเลยเพื่อจะละความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองนั่นแหละก็เลยปฏิเสธไปซะเลยนี่นะกลุ่มที่สมสมโุยุนชนะภัยกลัวรังเกียจว่าจะถูกซักถามกลัวผู้รู้จะโตจะโต้ ต, ตอบหรือจะถามก็เลยปฏิเสธอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็ไม่ใช่จนทั้งทั้งหประการนั่นแหละไปตามลําดับอันนี้มาจากโมมูหตา โ ม, โมหะตาไม่รู้งมงายนี่นะความโง่ความเขาความหลงความงมงายเลยเป็นปัจจัยตัวเดงปฏิเสธนี่เป็นโมหะ น, นโมหะตรงนี้นี่แหละเขาเรียกเขาเรียกอะไรเดียวมิชายานนะนี่แหละมิชายานในะกลุ่มนี้ที่บอกว่าบางคนถึงบอกว่าโอ้โหปัญญามากอมราวิเคปะวาธาทิถีนี่นะ โบกนี้ปัญญามากกว่างั้นแต่คือโมหะมากเพราะธรรมชาติเขาโมหะเนี่ยมันจะกลัวใช่ไหมหนึ่งโมหะกลัวว่าจะเป็นมุสาวาตโมหะกลัวว่าจะเป็นอุปาทานโมหะกลัวว่าจะถูกซักถามแล้วก็หลงหลงอย่างยิ่งตรงนี้เป็นมิจฉามิจฉาไปเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกลุ่มมีโมหะคุมที่ทิ่ที ท, ท, ท, ทีนี่เป็นอย่างนี้นะนี่คืออมราวิเขปะ ก็เลยแยกเป็นสี่ประเภทไปแล้วก็อาทิตย์จากสมมต ป, ปัญ น, นะอันนี้เห็นข้าเคลื่อนและลึกได้แค่ปฏิสนธิอันนี้ก็เห็นว่าไม่มีเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยพวกอสัญญาอสัญญาและลึกไม่ทะลุดังที่ได้กล่าวแล้วก็พวกตรึกเอาอัตราโลกอัตราเกิดขึ้นมา ล, ายลอยๆนี่เป็นอย่างนี้นะสาิ า, ารต่อไปก็อะไรละ อปรันตะกาปิกาว า, าทิตินีสินะอปรันตะกาปิกาวาทาเนี่ยสัญญีวาทะเห็นว่าหลังจากตายแล้วเนี่ยนะเออนี่เป็นทิฏฐิจะวประลบส่วนอนาคตหลังจากตายแล้วตามีสัญญา16อัตตาที่มีรูปย่างยืนมีสัญญาคือรูปสมาบัตินะสัญญาเดียวกันย่างยืนพวกนี้ก็ได้สมาบัติ อัตาที่ไม่มีรูปนี่เขาได้รูปสมาบัติเป็นสัญญาอันเดียวกันแล้วก็ยั่งยืนด้วยอันนี้ก็หมายความว่ากลุ่มที่อัตาทั้งมีรูปทั้งไม่มีรูปนั่นแหละก็หมายความว่าข้อนี้เขาได้รูปสมาบัติก็ได้รูปสมาบัตเลยนะบอกว่าเป็นสัญญาอันเดียวกันเป็นตัวเหล่านี้ยนะยั่งยืนนะ อันนี้หมายความบอกว่าจะมีจะมีรูปก็ไม่ใช่เป็นต้นเรานี่ยยั่งยืนมีสัญญาก็ความเห็นเป็นไปในลักษณะเนี้ยส่วนอันตาอัตตาที่มีที่สุดก็ยั่งยืนมีสัญญาก็ทําปฏิภาควาสินนั่นแหละอันนี้ก็ไม่ต่างกันนั่นแต่เพียงว่ายังเป็นไปในอนาคตนี่นะแล้วก็กลุ่มนึกเอามันมีสองกลุ่มกลุ่มอันตานันติกานี่ก็มามาบวกเข้ากับสัญญีวา ท, ทิฏฐิก็มารวมกันเป็นระบบ แล้วก็อัตตามีสัญญาอย่างเดียวกันเป็นต้อนในย่างยืนมีสัญญาเป็นต้นพวกพวกอัตตาสัญญาอย่างเดียวกันเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็อำนาจผู้ที่ได้สมาบัตเหมือนกันก็อันนี้ไม่พูดถึงในเรื่องของการที่ท่านเหล่านั้นได้สมาบัตพอได้สมาบัตแล้วก็แพรไปแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ตนเองนั้นน่ะเข้าใจผิดและประการต่อมาก็คือกลุ่มที่อาสัศ ญ, ญียวาธาเนาะ กุ่มอสัญญาวาทะแล้วก็เนวะสัญญานาสัญญาวาทะเป็นต้นเหล่านี้อะสัญญีวาทะในอสัญญีวาทะนี่8ดอัตตามีรูปหลังจากตายไปแล้วอัตตาไม่มีสัญญาเนี่ยนะอัตตาที่มีรูปย่างยืนไม่มีสัญญาทําเจโตอะไรทำสมาบัตได้กสินเห็นกสินเป็นอัตตาแล้วก็ไม่เอานิมิตเป็นสัญญาเนี่ยนะในกลุ่มนี้ก็เลกไม่มีสัญญา เป็นต้นก็ไล่ไปตามลําดับอย่างนั้นแหละแล้วก็ทําเจโตในรูปได้ด้วยแล้วก็มาจากสายกสินเป็นต้นเหล่านี้ไม่เอานิมิตมันเป็นสัญญาเป็นต้นไปตามดับได้ทั้งรูปประจาำและรูปประจาำเป็นต้นแล้วกลุ่มที่นึกเอาแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือพวกเกี่ยวกันในเรื่องของอย่างอไออตามีที่สุดเหมือนกันอันนี้พวกปฏิภาคคณิมิตขยายไปจนสุดขอบจักราวาล แล้วก็ขยายไปไม่เจอที่สุดขยายเฉพาะส่วนบนส่วนล่างส่วนขวางก็ว่ากันไปตรงเนี้ยอันนี้ก็ในส่วนจริงก็เข้าใจผิดในส่วนของอนาคตเป็นสัญญีที่ถิ่แปดละกลุ่มนึกเอาประการสุดท้ายก็คือเนว่าสัญญีนาสัญญีในส่วนของตรงเนี้นะก็อันนี้เกี่ยวกันในเรื่องของมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี่ทําเจตนาสมาบัติเป็นหนาตายึดว่าสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี่ยึดนา ม, มาทํานะนีกลุ่มนี้ยึดนามาทํา กลุ่มเนี้ยฉะนั้นไปดูในรายละเอียดตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เพียงแต่ ว, ว่าได้สมาบัตดแล้วก็ไปเข้าใจผิดบางทีก็เข้าใจผิดในรูปบางทีก็เข้าใจผิดในนามนนะ่ะนะเห็ท่าน้ำก็เป็นกลุ่มว่ามีสัญญาถ้ า, าว่ารูปก็ในส่วนของรูปไปว่าไงนะเห็นยุรบาล เป็นการเชื่อที่เรารู้ลักษณะของตัวอักรแล้วก็อาจ่นกเอามาเปดทางสดินอยก็เป็น่อทดลนงเ่ยๆคือคือตรงนี้นะว่าถ้าถ้าเท็ีแบบนี้ไม่เกิดกับเราเพราะในปัจจุบันนภพนี้เรายังไม่ได้ใช่ั้มยังไม่ได้แต่เรามีตัวที่ได้อยู่ คสักยะทิฏฐินั้นในการที่ไปปรารบที่สักยะทิฏฐินั่นเองนั้นสักยะทิฏฐิทีทท่เขาเป็นประธานธทิฏฐิเหล่านี้อยู่แล้วหนึ่งพึงระวังมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราศึกษาพระธรรมของพระบรมศาสดาไม่ดีแล้วไปทำกรรมฐานก็นจะไปเข้าใจผิดทันทีเพราะเรามีแกนหลักที่เป็นประธานในความเข้าใจผิดไว้รอเราอยู่แล้ว ใช่ใช <açık use> <m ess> ่แต่ว่าถามว่าเราสามารถที่จะนมาใเ่นอกจากชาโกสทแน่นอนน้ะเราจะทำในับที่คือ62นที่นอนอจโดยการนาเูรูงาตแล้วก็าาพจรยจะต้องทำอะอ๋อหนึ่งประการแรกเลยทีเดียวก็คือว่า ป้องกันทิฏฐิปัจจุบันอย่าให้กําเริบเพราะเรามีเหมือนที่เคยกล่าวบ อ, บอกว่าเรามีเชื้อมะเลงอยู่นะและตัวมาเร็งเหล่านี้ยังไม่ถูกรักษาย ห, หายขาดด้วยด้วยอะเรียมักใช่ไหมเหมือนมะเลงนั่นแหละหมันเชื้อมาเลงนั่นแล้วตรงเนี้มันเป็นเขาเรียกบางคนก็ระยะเริ่มต้นบางคนก็ระยะจะเข้าขึ้นขั้นที่สองแล้วเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ก็ต้องเพี ย, พยงถะเพียงละ น่เพียเพี ย, พยละเพราะอะไรเพราะอะไรจึงต้องเพียรละเพราะในสังสารวัตที่ผ่านมานั้นมิจฉาทิฏฐิประเภทนี้เคยลงสู่กระแสกันท่าใยัตนะของท่านทั้งหลายแล้วฉะนั้นความเป็นอุปนิสยปัจจัยของมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ยังรอคอยเราอยู่ฉะนั้นถ้าไม่เพียรระวังในการเจริญสมาธิสมาวิมะสมาถสติถูกต้อง เราไม่พยายามถางในตัวมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เี่มันโผล่แผ้มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะเอามากองแล้วจุดไฟเผาจุดไฟเผาต้นะถ้าไม่เรียบจัดการเทีเดียวมันก็เจริญงอกงามเมื่อมันได้อาหารเช่นจะไปทําสมาบาตัติไอตรงเนี้ยบอกโอ้ยมชอบกระสินท่านว่า ง, งนะั้นเนอะไปแล้วสมมติเราไปทำํำจริงๆเนี่ยนะแต่ด้วยการไม่รู้สมาธิิไม่รู้มิจฉาทิฏฐิไม่รู้สมาวายมะมิจฉาวายมะไม่รู้สมาสติมิจฉาสติเป็นต้น ไม่ศึกษาในด้านของมรรคให้ดีอย่างต่างเหล่านี้เป็นต้นในที่สุดก็ไปทํานั่นแหละทิ้งคําสอนพุทธเจ้าแล้วก็ไปนั่งทําให้ให้อารมณ์พาไปคือสภาพอารมณ์มันมาอย่างไงก็ไปตามเขานั่นแหละวันชาติว่เราเห็นเองเนี่ยเราไม่สนใจแล้วพระพุทธเจ้าจะว่าอย่างไรว่าเราเห็นเองอยู่ไปรอคําสอนพุทธเจ้าได้ไงว่างั้นก็ไปแล้วแต่นี้เป็นการปลูกทิฏฐิโผูขึ้นมาเรื่อยๆแต่เนี้ยนข้าวในข้าวปุ๊บเนี่ยอ๋อคำสอนไม่ใช่เรื่องแล้วเพราะวันนี้เราเห็นแล้วความเข้าใจเป็นอย่างเนี้ย อ๋อเนี่ยมันมีอัตราเข้าไปรู้จริงๆว่างั้นอ๋อมันได้ต่างๆแบบนี้เราขยายได้ใช่ไหมว่าอ๋อเนี่ยกลุ่มเนี้ยมีรูปบางกลุ่มนี้มีสัญญาบ้างไม่มีสัญญาก็ว่ากันไปทํานั้นแต่ในที่ตัวจริงๆก็ั่นแหละคือไปจากความเห็นผิดใช่ไหมไปจากความเห็นผิดฉะนั้นถามว่าต้องรู้ไหมตรงนี้ต้องรู้ ในอดีตที่ผ่านมาในระดับของสังเกต อ๋อใช่ใ ช, ช, ชอ่อ๋อคือคือประเด็นที่ประเด็นที่ยอมถามที่บอกว่ากราณีที่ว่าทิฏฐิหกสิบสองนี่ต้องเรียนรู้แล้วต้องเอามาพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่เหตที่ต้องพิจารณาบ่อยๆก็คือว่าโอกาสที่เราจะกลับไปเกิดอีกมีโอกาสเสี่ยงสูงมากใช่ใช่พรอมีโอกาสเสี่ยงสูงมากโอกาสเพราะว่าเรายังรักไม่ได้หนึ่งตรงนี้นะ หนึ่งที่ว่าคือว่าจุดก็คือเรายังล่าตัวประธานเขาไม่ได้ <iden. S 1> ประทฐานใหญ่เขาเลยเนี่ยนะเ้าเรียกว่าแหล่งโรงงานผลิตทิศถีเรายังทําลายไม่ได้งั้นดีกว่าเจ้าแม่โรงงานผลิตทิศถีเรายังทําลายไม่ได้ฉะนั้นเมื่อโรงงานผลิตทิศถีเนี่ย journey, ที่ขยายทิศถีเรายังเราทำลายไม่ได้เรายังล่าไม่ได้เรายังถอนไม่ได้เนี่ยทิศถีเหล่านี้ก็จะหนึ่งเคยเกิดสองจะเกิดมันเหมือนอย่างงี้ ถ้าเห็นทิฏฐิเหล่านี้แล้วเหมือนเราไปเห็นคนกําลังทําชั่วปัจจุบันเราต้องคิดยังไงมันยี้เรายังไม่เป็นผู้ทําอยู่ไหมเราเห็นคนอื่นทำอยู่มะหนึ่งเราเคยเป็นแบบคนนี้สองเราจะต้องไปเป็นแน่นอนถ้าเรายัางละทิฏฐิไม่ล ะ, ล ะ, ล, ะละกิเลสตัณหาไม่ได้<ม>เห็นไหมเนี่ยวิธีคิดอย่างนี้เวลาเรียนรู้ทิฏฐินี้ก็เหมือนกันเพราะหนึ่งเราเคยเป็นแล้ว สองแล้วเราจะต้องไปเป็นอีกนะถ้าเราถอนสักยะที่ถีไม่ได้เนี่ยมันมันมันเป็นอย่างนี้จริงเรื่องสำคัญเพราะเราจะต้องไปเป็นนะ่ะเราจะต้องไปเป็นและเป็นแน่นอนด้วยถ้าเราไม่ถอนแล้วถ้าไม่ระมัดระวังไปเป็นแน่นอนน่าคนการุณาไหมท่านพัฒนาไปเกิดเป็นเนื้อตาเรายังไม่ได้เป็นเนื้ตอตาพิจารณที่ถีเท่านั้นนะเฉียดเฉีวมาหลายครั้ง เกียดเียวหลายครั้งนั่นเกือบไม่ได้มานั่งเพรเรียนมาทำอะ่ะมันคิดดูลแล้วนี่แล้วเราจะไปกระลุนนาใครเอาตรงนี้ใช่ไหมมันมันเกือบหลายครั้งแล้วอุดวิตอุดวิตใช่ไหม <c oughs> ไอ้พอพูดอย่างเงี้ยใครคิดว่าเป็นงั้นจริงไหม โอกาสเสี่ยงจะตายใช่ไหมโอกาสที่เราจะปฏิเสธเหตุเนี่ยใช่ไหมมีโอกาสสูงมากอัปการต่อมาก็คือว่าขึ้นอุเฉศวาทนใช่ไหมแต่ อ, อุเฉศวาฒนนี่ขาดศูนย์เห็นขาดศูนเห็นอนาคตขาดศูนย์แล้วเห็นปัจจุบันขาดศูนเนี่ยหลังตายไปแล้วนะ อตามีรูปก็คือมหาพูทรูปสี่อนี่ยพวกในจารุมบางพวกเทวโลกบ้างอตาทิพย์พวกครุมบางอากาศานันจายาตนะพรหมวิญญากิในในนี่วะก็ออบางทีไปเข้าใจนะเข้าใจบอกว่าเนี่ยเป็นเทวดาไปเป็นเทวดาได้เนะี่ยมาพูดพอแตกดับในเทวดาขาดศูนย์ละมันก็ขึ้นสูงหน่อยอตาที่เป็นทิพย์ที่ถึงจะขาดศูนย์ ไอ้อัตราที่เป็นพรมนี่ถึงจะขาดศูนย์ไม่จริงหรอกต้องอัตราที่เป็นอากาสารัญจายตนาที่เป็นวิญญาณัญจายตนาเป็นอากินเป็นเนวะถึงจะขาดศูนย์หลังตายแล้วจบเลยเห็นไหมว่านี่นี่การการไม่ฟังพระธรรมโอริยเจ้าเนี่ยได้ดิบได้ดีทั้งนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเห็นไหมคําว่าได้ดิบได้ดีในที่นี้ไหมาเขาได้สมาบัตบ้างได้อะไรบ้าง แม้ถ้าต่อวิปัสสนาเป็นเนี่ย<ม>เขาจะได้ดิบได้ดีกว่าเราเยอะ<ม>เขาจะใช่ไห ม, มแต่เขาไปเข้าใจเดิมมันไปกับมิจฉาทิฏฐิซะ น, นี้<ม>ทีนี้ลองมานั่งคิดตรงนี้ตอนที่เขาได้ฌานสมาบัติเนี่ยตอนที่ตอนฌานเกิดขึ้นตอนนั้นมีมิจฉาทิฏฐิไหมไม่มีไม่มีมไหนตอนฌานเกิดเนี่ยไม่ได้มีมิจฉาทิฏฐิ<ม>เพราะมิจฉาทิฏฐินั้นไม่เกิดร่วมมากกับจิต แสดงว่าเขาได้มหาคตจิตนะเนี่ยพรหมเนี่ยใช่ไหมอากาสาตันจาก็ได้อรูปฌานใช่ไหม <Okay. S 1> ตอนนั้นจะเป็นวิจารทิฏฐิได้ยังไง <Okay. S 1> แต่ด้วยความเข้าใจผิดนี่แหละไม่รู้จักสมาธิทิฏฐิวิจาทิฏฐิเป็นต้นนี่แหละเขาก็ทำแล้วฌานเกิดได้จริงๆด้วย้กุกกศล เ, เกิดมหาคตกุศลเกิดพอฌานเกิดมันเบียดเสร็จแล้วก็ไปยึดฌานอยู่วิจารทิฏฐิก็ไปยึดฌานแล้วไปเข้าใจฌานแล้วก็มาปรุงแต่งฌาน เห็นไหมเพราะชีวิตเมย์อยู่ในฌานตลอดก่อนเข้าฌานก็เข้าใจผิดออกจากฌานก็เข้าใจผิดอยู่ในฌานังนั้นจึงจารเป็นมหากตะจิตซึ่งไม่มีมิจฉาทิฏฐิแต่มีมิจฉาทิฏฐิแวดล้อมปริขาลากของเขาเนะี่ยมีองค์ประกอบของเขานะ่ยมีอะไรมีมิจฉาทิฏฐิเป็นองค์ประกอบอา้าวลองไล่ปัจจัยประธานหน่อยไลอย่างไง อกุสโลทัมโมกุสลาสะดัมมะสะเห็นไหมอุปนิสยปัจเ ย, ยนะปัจเจียวน่ากุศลเป็นปัจจัยเกิดกุศลเห็นไหมเรื่องอำนาจของอุปนิสยปัจจั ย, ย, ยใช่ไม่ใช่เพราะไปจากความเข้าใจผิดเพราะไปคิดว่าเนี่ยจะเป็นปจัจจใจการทําให้ตนเองหลุดพ้นแล้วใช่ไหมก็ไปเข้าใจผิดอีกเลยแล้วก็ไปเห็นว่าขาดศูน แล้วก็มั่นใจเลยพอตนเองได้สมาบัติแล้วแล้วคิดได้แค่นี้ยแล้วเข้าใจแล้วเห็นแค่นี้ยแล้วกบคิดเองเลยว่าเนี่ยทําให้ตนเองน่ะ่าศูนย์ละเอาก้สุดท้ายอันนี้เห็นกาเมคุณห้าเป็นนิพพานเห็นปฐมฌานมีองค์ห้าเป็นนิพพานเห็นทุติยฌารย์เป็นนิพพานเห็นตติยฌารย์เป็นนิพพานเห็นเจตุติจาย์เป็นนิพพาน จบเลยตรงนี้ยมิจฉาทิฏฐิสิบสองทีนี้ตรงนี้ดูหลักจะได้เข้าใจชัดขึ้นดูในคําสอนตรงนี้นะที่จะเชื่อมโยงให้เห็นก็คือว่าให้เข้าใจในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิก่อนก็ว่าในบรรดามิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นเน่ยนะทิฏฐิคือความรูปคําถือผิดเนะี่ยก็ถือผิดในกรรมอาธุรูปอาธาเป็นต้นนะี่ยนะถือผิดเยอะแยะหมดเลยแเนี่ยนะในปัจจวีธาตุคือมิจฉาทิฏฐินะี่ยได้ลมเท่าไหร่เนี่นะคิดถึงเรื่องขันก็เข้าใจผิดในขัน คิดถึงรูปก็เข้าใจผิดในรูปนี้นะคิดถึงปฐวีธาตุก็เข้าใจผิดในปฐวีธาตุมันเป็นรูปคำที่ตรงไหนก็เข้าใจผิดในที่ตรงนั้นท่านที่บอกความก้มรุมแห่งทิฏฐิก็คือว่าทิฏฐิคตะทิฏฐิรกชัดเนี่ยนะทิฏฐิกันดารทิฏฐิเป็นเส้นหนามทิฏฐิวิบัติทิฏฐิเป็นสังโยชน์ทิฏฐิก็เป็นลูกศรเป็นความแคบคข้าแคบด้วยทิฏฐิก็เป็นเครื่องกังวลทิฏฐิก็เป็นเครื่องผกพันทิฏฐิเป็นเหวทิฏฐิเป็นอนุสใสทิฏฐิเป็นเหตุให้เดือดร้อน ทิฏฐิก็เป็นเหตุให้เร่าร้อนทิฏฐิเป็นเครื่องร้อยรัตทิฏฐิเป็นเครื่องยึดมั่นทิฏฐิเป็นเหตุให้เดือดร้อนทิฏฐิเป็นเหตุให้รูปคำความปุ้มรุมต่างๆแล้วก็ในทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสักยทิฏฐิสัสสทิฏฐิมีกายเป็นวัตถุเป็นต้นอุเฉธทิฏฐิมีกายเป็นวัตถุอันตานันติกาทิฏฐิปุภาตเป็นต้นอัปรันตาทิฏฐิสังโยชนิกาทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้ก็ไล่ไปตามลาดับนะ ในอสาททิฏฐีก็คือว่าสุขโสมนัสอาศัยรูปบรรไดเกิดขึ้นนี้เป็นอสสาท่ความยินดียงรูปนะทิฏฐีใช่อสสาท่าไหมไม่ใช่เนาะไม่ใช่อสาท่าอสสาท่าก็ไม่ใช่ทิฏฐีนะทิฏฐีเป็นอีกอย่างอาสาท่ก็เป็นอย่างทิฏฐีและอสสาท่านี้ท่านกล่าวว่าเป็นอสสาททิฏฐีนะอสาททิฏฐีเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐีไหมเป็นทิฏฐีวิบัติด้วยนะบุคคลประกอบไปด้วยทิฏฐีวิบัตินั้นเป็นทิฏฐีบุคคลเป็นต้นไปทีนี้ สรุปไปดูในชั้นของดีกาอาอตกถานี่นะท่านจะขยายเกี่ยวเนื่อ ง, องมิจฉาทิฏฐิเข้าไว้ท่านขยายไว้บอกว่าดังที่ได้ ก, กล่าวในครั้งที่แล้วที่กล่าวบอกว่าเกี่ยวในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเกี่ยวกันในเรื่องบอกว่า ในมิจฉาทิฏฐิที่ท่านขยายไว้บอกว่าทิฏฐิเป็นไปตามส่วนสุดต่างๆเหล่านี้ท่านภาษาริบุตรท่านได้ขยายความเขาไว้บอกว่าในบรรดาทิฏฐิต่างๆเหล่านั้นความก้าวร่วงนะนะความมืดคือโอคาเป็นต้นเหล่านั้นเป็นต้นได้ยังไม่วันก่อนประการต่อมาก็พูดถึงเกีย่ยวกันในเรื่องของทิฏฐิคาถา สรุปเป็นใจความนั่นของเราเอตังมามาเป็นทิฏฐิที่มีความสําคัญเรื่องหน้าถึงตัญหาเป็นมูลแล้วก็เราเป็นนั่นเอโซอมัสมีนี่เป็นทิฏฐิที่เกิดความสำคัญเรื่องหน้าถึงมานาเป็นมูลมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นบอกว่านั่นเป็นตัวตนของเราเอโซเมยตาเนี่ยเป็นทิฏฐิที่เกิดขึ้นเรื่องหน้าถึงทิฏฐิเป็นต้นแล้วก็บอกว่าย่งตรงนี้ต้องจับประเด็นได้ก็คือว่าประการแรก เป็นความตั้งมั่นโดยมีตัณหาเป็นมูลประการที่สองมีมานะเป็นมูลประการที่สามความยึดมั่นตัว ต, วตนตั้งมั่นโดยมีตัณหาเป็นมูลและยึดมั่นด้วยมานะก็คือสรุปทั้งหมดนั่นแหละประการต่อมาก็คือว่าความเป็นความไม่เห็นลักษณะที่เป็นทุกข์ของสังขารทั้งหลายอันนั้นก็บอกว่าเพราะเอตังมามาเนี่นแหละนั่นของเรา เพราะทุกรักษณะไม่ปรากฏในกระแสขันธ์าตุอายตนะของสัตว์เหล่านั้นเป็นทิฏฐิมีความสําคัญในตถาเป็นมูลเพราะไปเห็นว่าขันธ์เป็นสุขเนี่ยประการต่อมาก็ไม่เห็นอนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงของสังขารเลยไปการประเภทเราเป็นนั่นคือเอโอมัสมีเนี่ยนะที่มีมานะเป็นมูลนี่แหละไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของขันธ์าตุอายตนะที่เป็นไปนิตามนิจจาลักษณะประการที่3ก็คือว่านั่นเป็นอัตตาของเราเพราะความยึดมั่นตัวตนเป็นเหตุไม่เห็นไตรลักษ ทั้งหมดเลยไม่เห็นอันนี้จังทุกครั้งองนาตาของสังขารทั้งหลายนะทีประการต่อมาก็คือความยึดมั่นตัวตนของพูดถึงความวิปลาสในทุกข์ว่าเป็นสุขและในความไม่งามว่างามอันน้นข้อแรกนะที่มีตัณหาเป็นมูลเนี่ยฉนั้นตัณหาเป็นมูลเนี่ยจะมีวิปลาสสองมีตัณหาเป็นมูลของทิฏฐิมีวิปลาสสองคือมีสุขข่าววิปลาสกับสุภาววิปลาสเห็นว่างามก็เห็นว่าสุข ในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปในไตรภ พ, พบสามนี่นะการมาพบรูปมาพบอรูปพบนี่นะข้อสองความยึดมั่นถึอตัวตนด้วยวิปปาราตในความไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงอันนี้ก็หมายความว่านั่นเราเป็นนั่นเราเป็นนั่นเอโซมัสสมิเนะีอันนี้ก็คือทิฏฐิที่มีมาหน้าเป็นมูลเนี่ยเป็นเหตุทำให้ไม่เห็นอ น, นิจจลักษณะวิปปาราตเกิดขึ้นเห็นเห็นว่าเที่ยง ประการที่สามบอกว่า น, นั่นเป็นอัตานั่นเป็นตัวตนของเราเนี่ยอันนี้ความยึดมั่นตัวตนยิดปราลทั้งสี่อย่างเลยเนะทั้งสี่อย่างที่เกิดขึ้นเนี่การต่อไปก็คือว่าเป็นความดํารฤิถึงอาการแห่งปุบเพนิวาสก็หมายความบอกว่าคนที่มีปุบเพนิวาสะด้วยขาดสติสัมปชัญญะขาดวิปัสนาขาดสมาธิถีเนะี่และเลิกไปก็จะเป็นปุบพันตากกับปิ ก, กาวาททเถี สิบแเน่ยที่เก่าเมืเ่อกี้นั้นก็หมายความว่าว่านั่นแหละนั่นของเราก็จะเต็มไปหมดนะเอตังมากๆก็จะตามไปหมดแหละคือมีตันหาเป็นมูลของทิฏฐิชอบใจเลยใช่ไหมพอระลึกไปชอบใจไหมพอทิฏฐิตามระลึกอดีตเพราะตนเองมีอภิญญาพออภินย า, พพนยากรอกของอิญญาดับลงปุ๊บตนเองก็ระลึกได้ใช่ไหมที่จริงอ่ยเป็นทั้งกุศลแลกุศลร ะ, ะลึกนะ เระลึกไปตามกรอบปัญญาเนอะแต่พอระลึกไปแล้วก็เป็นเหยื่อของทิฏฐิซึ่งมีตัณหาเป็นมูลเห็นไหมระลึกอดีตได้แต่จมไะเจ้งเลยเงี้ยเรียบร้อยเลยเนี่ระลึกอดีตในลักษณะเงี้ยนั้นถ้าหากว่าไม่มีปุเพนิวาสานุสติญาณอย่างถูกต้องเป็นไงถ้าไม่มีปุเพนิวาสานุสติญาณที่มียานที่เป็นไปกับสติ แล้วก็ไม่มีมหากุศลที่มีวิปัสสนาสมาธิฏฐิแล้วก็วิริยะสมาธิฏฐิแล้วก็สติสมาธิฏิที่เกิดร่วมกับสมาธิฏิแล้วก็องค์มรรคที่เป็นสมัมมามรรคทั้งหลายนะแล้วก็มีวิปัสสนามำหน้าเป็นต้นนะถ้าไม่มีตัวนี้ตามระลึกไปด้วยเสียหายมากไหมระลึกมากก็เสียหายมากถ้าระลึกได้สี่ิกับก็เสียหายสี่สบกับความเห็นผิดยันไปสี่สิกับ เห็นไหมเรื่องระลึกได้ยาวไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยเป็นการตอกเสาเข็มที่ยิ่งยาวและยิ่งถอนยากขึ้นถามว่าถ้าระลึกได้อย่างนั้นเนี่ยแล้วใครควรบอกต้องอาศัยพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าทิฏฐิระดับอย่างเงี้ยเขาจะเอาสมมติเราจะไปบอกนะเดี๋ยวเขาทำาเดี๋ยวเขาทำมาพินายเราตกตกใจกัน <S <S ใช่ไหมเพราะก็ได้อะ่ะ น่ากลัวไหมเงี้ยเมื่อใดไปเ จ, เจอเจ้าลัทธิที่เขามีวิญญาแบบเนี้ยอย่างนี้คนเอาต่อให้ไปอยู่ในประเทศไหนคนไปนับถือเต็มเนี่ยขอทุกวันเนี่ยถ้าถ้าไปเจอคนระลึกชาติได้แล้วมีวิญญาอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเงี้ยเชื่อไหมเขาจะเป็นเจ้าเจ้าโลกไหมเนี่ยไปเลยอ่ะเป็นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทันทีเลยนี่แหละโทษการระลึกในอดีตผิดฉะนั้นมีปรัชนาญาทําไมต้องระลึกจัดการกับสิ่งเหล่านี้ พอต้องไปถางลบชัดในกระแสความเข้าใจผิดเหล่านี้ยออกมากองเผาจัดการเที่ยยไงเนี้แนะนี่เป็นอย่างนันี่มองเห็นแล้ยนะประการต่อมาก็คือว่าประการที่สองก็ดำลี่เพื่อจะได้ทิพยจักุกลุ่มพวกนี้ก็ได้นะยานในอนาคตก็ผิดอีกตอนไปเห็นอัปรันตากาบิกาว่าท่าที่ถีก็ผิดเข้าใจผิดอีกเห็นไหม แต่ว่าต้องมีวิบทำมีวิปัสสนาญาณไปก็กำจัดความยึดผิดอย่างนี้ต้องเลือดตาได้ใช่ไหมประการมาเป็นความยึดมั่นตัวตนของผู้ผู้อาศัยการดําหนิในธรรมทั้งหลายที่เป็นส่วนอดีตประการที่สามเนี่ยที่เป็นไปในส่วนอดีส่วนอนาคตทั้งอดีตและอนาคตต่างๆเหราเนี่ยฉะนั้นในข้อที่สามเนี่ยท่านจัดไว้สองการทั้งอดีตและอนาคตแต่มีความเห็นผิดฝังนั่นในกระบว น, นการยืนใจเนี่ย คิดอดีตก็ผิดคิดอนาคตก็ผิดเห็นไหมพอไปเจอสูตรนี้ท่านถึงบอกว่าอย่าคิดอดีตตัวงั่นอย่าคอยหาอนาคตไอ้คำพูดเนะี่ยถูกอย่าคิดด้วยตัณหามานาทิฏฐิทั้งอดีตและอนาคตแต่ประโยคนี้ปฏิเสธการคิดแบบตัณหามานะทิฏฐิเท่านั้น ไม่ปฏิเสธการคิดด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะส ม, มาสติถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะสมา ส, มมาสติคิดไปเหอะพอคิดไปเพื่อไปจะจัดการความเหมิ่นผิดประเภทนี้เขาจอย่างแนี้นะท่านท่านในคิดด้วยสัมมาทิฏฐิแต่ท่านปฏิเสธการคิดโดยตระหนัมอันทิฏฐิ และประการต่อมาก็คือว่าตามหลักปฏิจน์นบาทในสายอดีตเนี่ยถ้าคิดไปก็ผิดหมดถ้าคิดด้วยตัณหามานนะที่เทีย่ยความยึดมั่นตัวตนของบุคคลผู้คำนึงถึงอดีตด้วยความพอใจนี่ข้อแรกเห็นไหมที่มีตัณหาเป็นมูลเตตังมามากตรงเนี้ยไปเข้าในหลักของพัทเทกรลัสสูตร ไปเข้าในหลักของในสติปัฏฐานสูตรที่ท่านยกโดยอย่างของสัน ต, ติมหามาต์เนี่ยในข้อเนี้ยในที่ท่านแสดงทิฏิกถาเขาไว้เนี่ยนะในปฏิสัมพิทามักเนี่ยท่านบอกว่าเป็นความยึดมัน่นอะไรเป็นความยึดมัน่นเอตังมะม ะ, มะนี้เป็นความยึดมัน่นที่มีตัณหาเป็นมูล ของบุคคลผู้ปรารบหรือคำนึงถึงอดีตด้วยความพอใจอคำนึงถึงโรคประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตคำนึงถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจในอดีตคำนึงถึงรู ป, ปรเสียงกลิ่นรสสัมผัสและรมอารมณ์ในอดี ต, ต, ด, ต, ด, ด, รร ด, ตด้วยความพอใจอันนั้นมีทิฏฐิที่มีตัณหาเป็นมูลในข้อสอง เอสโอมัสมิเราเป็นนั่นเนี่ยเป็นทิฏฐิที่มีความสําคัญเรื่องนาจของมานะของบุคคลผู้มุ่งหวังอนาคตด้วยความพอใจใช่ไหมด้วยความพอใจมุ่งหวังว่าเราจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะไปดูในพระเทกรัตสูตรข้อที่สามเอสเมอาตานั่นเป็นตัวตนของเรามีความสําคัญเรื่อนาจของทิฏฐิ แล้วก็มีพวกตัณหาและมานะเขาร่วมด้วยของบุคคลผู้งอนเงนครอนแคลนในธรรมะที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมเนี่เห็นปัจจุบันธรรมนี่แหละที่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารนิญยณในที่เป็นไปในปัจจุบพบทั้งหมดเนี่ยชื่อว่างอนเงนด้วยชื่อว่าครอนแคลนด้วยเพราะไปเห็นด้วยหนา้าของตัณหามานะทิฏฐินี่เขาใหญ่ยังเอโซเมตาติ โอ้ยแค่นี้บอแล้วนะยะเข้าใจชันแล้วจนไม่ยา <c oughs> หลายรอบแล้วตรงนี้ชาร์ดได้ยังฮะ <c oughs> โอ้เพึ่งดีขึ้นเองโอ้ทำไมโลกดื้อยาเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> เริ่มจะมองเห็นไหมตอนนี้ว่าฉะนั้นถ้าเราดูใน ในคำสอนเนาะในพัะเทกนราตสูตรเนี่ยเราก็จะจะเห็นจะเห็นดี่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยจะชัดขึ้นอา่านนี่ก็อาจเสียเวลาหน่อยนะคือต้องการอยากให้เราท่านทั้งหลายเวลาไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยจะได้เข้าใจที่ในพัะเทกนราตสูตรว่าด้วยผู้มีราตีหนึ่งเจริญ น, น่ะ สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเชตวันนารามของท่านอนาถปาิณิกาเสดสีกรุงสาวัตถีณที่นั้ น, นพระพุทธเจ้าตัดเรียกปิกตัวทั้งหลายมาบอกว่าปิกตัทั้งหลายพ ร, พระเจ้าก็ถูลรับพระพุทธเจ้ากระเลตรัสบอกว่าเธอทั้งหลายจงปังจงใส่ใจแต่ให้ดีเราจะกล่าวบอกว่าอุเทศวิพังของบุคคลผู้มีราตีเดียวเจริญเป็นต้นนะแล้วก็ต ร, รัสในอตีตรังนานว่าขเมยยเป็นต้นระบบบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเนี่ยนะ ไม่ควรมุ่งหวังถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเห็นไหมสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นยังไม่มาถึงสว่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะที่เป็นปัจจุบันไม่ง่อนเงนไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นๆบุคคลนั้นได้รู้ว่าเป็นบุคบุคคนนั้นได้รู้ความนั้นแล้วพึงเจริญไวนเนืองเนืองเถิดอย่างเนี้ บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วหมายความว่าไม่ควรคิดด้วยอำนาจของทิฏฐิที่มีตันหาเป็นโมลข้อแรกใช่ไหมอย่าไปอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงด้วยไปคิดถึงอนาคตด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิที่มีมานาเป็นโมลข้อที่สองบุคคลที่ง่อนแง่นในธรรมะปัจจุบันนั้นก็คือการคิดด้วยอนาจของทิฏฐิ ที่มีตัณหาทิฏฐิเป็นต้นเนตัณหามานาเป็นต้นเน่ยเป็นมูลเนี่ยในปัจจุบันเน่ยชื่อว่างอนเงยนคลอนแคลนในปัจจุบันถ้าไม่คิดแบบเนี้ยชื่อว่าบุคคลใดเนี่ยนะบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะที่เป็นปัจจุบันไม่งอนเงีนไม่คลอนแคลนในที่นี้เป็นชื่อของการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั่นแหละที่เป็นไปในปัจจุบันด้วยแล้วก็จะคิดถึงอดีตและอนาคต ก็เชื่อว่าไม่งอนแง่นไม่คอนแคนในดีในอนาคตเป็นต้นด้วยด้วยสูตรเขาอย่างนั้นตรงเนี้นะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาท่านมาขยายว่าพิกสูทั้งหลายก็บุคคลคํานึงถึงถึงที่ล่วงมาแล้วเป็นอย่างไรลําพึงถึงความเพลิดเพลินโดยเบญจขันขบอกว่าเราได้มีรูปอย่างนี้ล่วงไปแล้วได้มีเวทนาสัญญาสังขารมิยานอย่างนี้ล่วงไปแล้วบุคคลไม่คํานึงสิ่งที่ ล่วงไปแล้วอย่างไรคือไม่ลำพึงด้วยความเพลิดเพลินเห็น ไ, ไหมไม่คำหนึงด้วยความเพลิดเพลินในที่นั้นเป็นชื่อของการเจริญสมถวิปัสสนาแล้วแล้วท่านก็จะบอกเลยไหมผู้ดูชนในโลกนี้ไม่ได้สดับอย่างไรเดี๋ยวจะไปศึกษาตรงนี้ในข้อมูลตรงนี้เราจะชัดขึ้นเอาว่าต่อไปตรงนี้ตรงนี้เริ่มมองเห็นเราจะไหมอันหนึ่งข้อหนึ่งเป็นทิศทีที่มีความไม่รู้เป็นเหตุในส่วนของอดีต สนุกกเอตังมามาเนี่ยแปลว่าไม่รู้อะไรมีทิฏฐิที่มีตัณหาเป็นมูลมีความไม่รู้เป็นเหตุในส่วนของอดีตทั้งหมดจากนั้นถ้าหากว่าคิดถึงอดีตนี่นะถึงแม้ในปัจจุบันเนี่นะถ้าเราคิดถึงอดีตเนี่ยและในขณะที่คิดถึงอดีตนี่นะด้วยอํานาจของมิจฉาทิฏฐิเนี่นะตอนนั้ น, นตัณหาจะเป็นมูลจะเข้ากับข้อแรกคือเอตังมามาถ้าบอกว่า บุคคลหวังอนาคตด้วยความพอใจไอหวังอนาคตด้วยความพอใจเนี่ยเป็นทิฏฐิขออภัยเป็นทิฏฐิด้วยความไม่รู้ดีกว่าเป็นเหตุในส่วนของอนาคตทิฏฐิที่มีมานะเป็นมูลเวลาคิดถึงอนาคตเนี่ยทิฏฐิที่ไปคิดถึงอนาคตแล้วก็มีมานะเป็นมูลและก็มีความไม่รู้ขันธาตุอายตนะ ตามความเป็นจริงนั้นถึงไปรู้ก็รู้ผิดเห็นไหมเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้รู้มานะก็เป็นมูลของการคิดอย่างนั้นเสียและประการที่สามเป็นความยึดมั่นตัวตนด้วยความไม่รู้เหตุในส่วนของอดีตและอนาคตและในธรรมทั้งหลายอันเป็นอิทัพปญยาตาและที่เป็นตติจตสมบัติทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตและรวมเบ็ดเสร็จทั้งปัจจุบันเลยเอานี้ ในขณะที่เรากําหนดตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันถ้าไม่เห็นปัจจัยาการไม่เห็นปัจจัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจคือข้อสามเลยไม่เห็นปัจจัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เห็นปัจจัยของนาของโูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกว่าปฏิจจสุบาไม่ปรากฏในธรรมะปัจจุบันผิดละ เพราะมันจะมีอะไรมีทิฏฐิที่มีทิฏฐิเป็นมูลมีทิฏฐิที่มีตัณหามานั่นแหละเกิดร่วมนั่นแหละเพราะไม่เห็นความเป็นไปของปฏิจจะและไม่เห็นความเป็นไปของอิทัพปญยาตาเพราะรูปประคันมีรูปประคันมีเพราะอะไรมีอวิชชาตัณหากรรมมีเนี่ยเห็น ไ, ไหมรูปประคันมีเพราะอาหารมีรูปประคันมีเพราะนิพพติลักษณะมีเนี่ยไม่เห็น ไม่เห็นอิทับปัจญยตาไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทไม่เห็นความเป็นไปของอิทับปัญญาตาไม่เห็นความเป็นไปของปฏิจจ์ชื่อว่าไม่เห็นทั้งอดีตไม่เห็นทั้งอนาคตใช่ไหมการหลงในปัจจุบันเนี่ยชื่อว่าเป็นการหลงในปฏิจจะหมดเลยหลงในอิทับปัญญาตาหมดเลยเป็นการไม่เห็นทั้งอดีตด้วยเป็นเห็นไม่เห็นอนาคตด้วยมืดมืดมากใช่ไหม เพราะไม่เข้าใจวิปัสนาที่เป็นไปในในปัจจุบันที่เป็นไปก็เหตุปัจจัยเป็นต้นนี่เป็นอย่างนี้ไม่รู้สึ่ออย่างนี้จะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยยังไม่เข้าใจใช่ไหมอายกตัวยอย่างอ่ายกตัวยอย่างอายกตัวยอย่างเช่นเอาไปกําหนดถึงเวลาจะมาให้กําหนดใช่ไหมบอกเอายอมไปกําหนดเด้อเอาไปกําหนดยังไงดีอะ เอาไปกำหนดอาการเดินไะอาการเดินนี so, sure sure so, question, ่ยก like it. like, ําหนดไปที่กาหนดอาการเดินไปรูบเดินมางั้นสมมุตินะสมมตินะไปกําหนดเนี่ยกำหนดอาการเดินไปถามว่าในขณะที่กำกำหนดไปนั้นเน่ยถามบอกว่าหนึ่งเข้าใจหรือยังเข้าใจไหมว่าจิตที่คิดจะเดิน เข้าใจไหมว่าจิตต่ชาวโยธาเข้าใจไหมว่ารูปประกายที่เกิดจากกรรมจิตอุตวอาหารที่กําลังเคลื่อนไปนที่เรียกว่าเดินเทีนี้พอเข้าใจบอกว่ารูปที่เกิดจากกรรมจิตอุตูอาหารเนี่ยแล้วเข้าใจหรือเปล่าว่ารูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยมีกรรมเป็นปัจจัยยังไงรูปที่เกิดจากจิตมีจิตเป็นปัจจัยยังไง รูปที่เกิดจากอุตุมีอุตุเป็นปัจจัยยังไงรูปที่เกิดจากอาหารมีอาหารเป็นปัจจัยยังไงถ้าไม่เห็นอย่างนี้ก็เรียกไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นไปในปัจจุบันนี้ชื่อว่าไม่รู้อดีตและอนาคตและปัจจุบันด้วยเห็นไหมสัมมาทิฏฐิก็ไม่เกิดวิปัสสนาสมาทิฏฐิจะเกิดยังไงก็เป็นไปกับข้อสุดท้ายอะเอสโสเมอตตา นะเอาตาังมาๆเนี่ยข้อแรกปาลบอดีตไหมเอโสหาสมิย์ไหมเออ ไ, ม, ไม่อะไรนะเนี่ยนี่นั่นแหละก็คือปาลบส่วนอนาคตถ้าเอโสเมียตานี่ข้อสามนั่นเป็นอัตราของเราเนี่ยก็หมายความว่าไม่เห็นทั้งอดีตและอนาคตด้วย ก็คือไม่เห็นปัจจุบันไม่เห็นรูปน้ำที่เป็นไปในปัจจุบันนะัว่าเป็นไปตามหลักของปัจจยาการและปฏิจจารและอิทัิปยาตาไม่เห็นแบบเนี้ใช่ไหมกรณีที่เราทั้งๆ ท, ที่เราใช้ตาเราเนี่ยนะจากขรุษศาสตรเนี่ยเราก็ไม่รู้จากขรุษศาสตร์เกิดขึ้นเนี่ยเวลาเราไข้ควรจากขรุษศาสตร์เราก็ไม่ทราบว่าจากขรุษจากขรุษศาสตรเนี่ยมีกรรมมีวิชามีตัณหาเป็นปัจจัยใช่ไหมเนี่ยความไม่เข้าใจตรงเนี้ย หนึ่งไม่เข้าใจตัวจักขคูปราสาสตรว่าเป็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมแล้วรูปธรรมเหล่านี้ยตัวจกักรคประศาสตร์เนี่ยลักษณะของเขาเป็นอย่างไรที่ตั้งอาศาัยของเขาว่ามีมีดินน้ําไฟลมเป็นที่อาศาัยอย่างไรจักขคูปราศาสตร์เป็นอุปาทายรูปอย่างไรใช่ไหมไม่เข้าใจนั่นส่วนหนึ่งแล้วแล้วยังไม่เข้าใจปัจจัยอื่นๆเขาอีก ที่จะเป็นปัจจัยเกิดสมาธิทีเพื่อจะล้มิจฉาทิฏฐิในการไปเข้าใจเนี่ยเขาเรียกไม่เข้าใจปฏิจจาแล้วก็ไม่เข้าใจอีทัาปัียาตาที่เป็นไปในอดีตและอนาคตก็คือในปัจจุบันด้วยนะถามว่าถ้าไม่เข้าใจตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นไปในปัจจุบันเนี่ยชื่อว่าไม่เข้าใจปฏิจจานะที่เป็นไปในอดีตและอนาคตด้วยเนะี่ยใช่ไหมใช่ พูดไปไม่ร huh. <c oughs> ู้เข้าใจกันหรือเปล่าจะงงงงเลยเจ้าคนเอ้าเข้าใจมไหมโอเคอาตรงไหนไม่เข้าใจบอกมา เนตรงนี้ตรงนี้มีความจะเป็นนะมีความสำคัญนะเนี่ยมีความสำคัญเนี่ยเนี่ยจะเป็นนักปฏิบัติกันทั้งทีนี่ไปตอบคําถามก็ยังไม่ได้ยุ่งเอางี้ก็หมายความบอกว่าไอจากขุประศาสตรเนี่ยเป็นธรรมะที่มีปัจจัยไหมยก็ดจากปัจจัยไหมตัวปัจจัยใช่ปฏิจจาระไหม ใช่ไหมปฏิจจ์จะมาฉะนั้นถามว่าตัวจกักปรภู菩萨เนี่ยมีปัจจัยในอดีตไหมมีปัจจัยในอดีตเนาะนั่นแหละการเข้าใจนี่าเรียก็เข้าใจปฏิจจ์ต้องให้เข้าใจอย่างนี้ฉะนั้นการที่จะรู้ความเป็นไปของจกักระสาทในปัจจุบันนี่พอไหมวิปัสสนาพอไม่พอพอหรือเปล่าก็คือไม่พอเพราะความเพราะความเข้าใจยังไม่ชัด เดี๋ยวถ้าไปรู้เฉพาะความเป็นไปในปัจจุบันเนี่ยจะกลายเป็นอเหตุการณ์ทิฏฐิจะปฏิเสธเหตุปัจจัยของของนามลู่ไปท่านในพระศาสนาเนี่ยต้องทําลายไอเหตุกทิฏฐิใช้อะไรทําลายตัวสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิที่เป็นปูเรจาริของมรรคนั่นแหละเป็นตัวทําลายก็คือทําความเข้าใจให้ชัดเสียนั้นการเจริญวิปัสสนานั้นจึงไม่พอแก่การที่จะอยู่กับปัจจุบัน จึงจะต้องไปรู้ปัจจัยของเขาด้วยทีนี้ปัจจัยของเขานั้นมีทั้งอดีตใช่ไหมเอวิช า, าตรรกะแล้วก็ปัจจัยในปัจจุบันจพบด้วยเกี่ยวเรื่องของอาหารเป็นต้นเห็น ไ, ไหม <S <S นั่นแหละคือปฏิจจะเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วอิทัาปะจเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไงเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนั่นแหละการเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกเข้าใจในอดีตและอนาคตปัจจุบันด้วยนี่เป็นยางไง ถามว่าถ้าหากว่าสิ่งนี้ดับหมายความว่ า, วาราคาโทรสาพมืาหาดับเนี่ยใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ดับในนาโคตใช่ไหมนี่เข้าใจเงี้ยแต่ถ้าหากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารยังไม่ถูกดับด้วยอริยมรรคเนี่ยมันจะเกิดอีกอไม่ในนาโคตนั้นเข้าใจปฏิจจสมบัติที่เป็นไปในสามการอย่างเงี้ยเข้าใจอย่างนี้แหละ อย่าลืมนะว่าตอนนี้ตัวปฏิจจสวุตินัคือนามรูปเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันภพมีอยู่กําลังเกิดในกระแสขันของเราท่านทั้งหลายนี่แหละนี่คือปฏิจจ์นี่มันความจริงที่กําลังเกิดอยู่กําลังหมุนอยู่แล้วไปสายเกิดด้วยไม่ใช่สายดับใช่ไหมนี่มันเป็นไปอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมนี่เราต้องเข้าใจว่าเนี่ยปฏิจจากําลังเดินอยู่แล้วไม่ใช่เดินแบบสายดับด้วยเดินแบบสายเกิดใช่ไหม ตอนนี้มีไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนามีไห ม, มใช่ไหมผัสสะเวทนาสัญญามีเลยไห ม, มถ้าลองไล่ตามปฏิจจารดยทีเราจะเห็นนะ่ะจากขู่โสตค า, านะชิวหากายามีนามรูปมีก็นี่ไงกําลังเกิดเป็นไปอยู่นี่แหละทีนี้ถ้าเรารู้ในลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องดูที่ว่าปัจจัยสิ่งเหล่านี้มีอย่างนี้ก็เรียกว่าเข้าใจ อีทับปัจจยาตาเข้าใจปฏิจจสทรงบาทที่เป็นไปในอดีตและอนาคตและเป็นไปในปัจจุบันพนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกเข้าใจขันท่าแต่ยตนาที่มันกำลังเกิดขึ้นสืบต่อกันตลอดสายเป็นไปอย่างไม่ขาดสายนี่จะดับมันยังไงใช่ไหมการดับคือการทําความเข้าใจคือทําวิปัสนาสมาธิฏฐิให้เกิดให้รู้จักสมาธิฏี่มิจฉาทิฏฐิใช่ไหม แล้วก็ไปแวดล้อมส ม, มาทิฏฐิเอาไว้ <bij ihn> เพียนเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงส ม, มาทิฏฐิเป็นต้นสติ ก, ก็ร ะ, ะลึกเนี่ยในการที่จะละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงส ม, มาทิฏฐิเป็นต้นเหล่าเนี้ยลักษณะอย่างนี้เป็นการทําปัจจัยในการที่จะละในการที่จะละทีนี้ในบรรดาสิ่งต่างๆตรงนี้พอจะเข้าใจประเด็น ต, ต่างๆเหล่านี้แล้วเนาะทีนี้ประการต่อไปในทิฏฐิคาถาเนี่ยท่านกล่าวตรงทิฏฐิมีขันห้าเป็นต้นเป็นที่ตั้งอาศัย อันดับแรกก็หมายความว่าที่ตั้งที่อาศัยที่เกิดของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายคือเอาขันห้ามาตั้งก่อนเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมามาตั้งฉะนั้นขันห้าที่เป็นไปในปัจจุบันภพบก็เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของทิฐิรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแน่ดีตก็เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของทิฐิ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จะเป็นไปในอนาคตก็เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของทิฏฐิสรุปแล้วเป็นอารมณ์ก็คือเป็นที่ตั้งและก็เป็นที่อาศัยของทิฏฐิถ้าไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทิฏฐิไม่มีที่ตั้งทิฏฐิไม่มีที่อาศัยใช่ไหมพระอาหารทั้งหลายนั้นท่านดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ท่านจึงไม่มีที่ตั้งของทิฏฐิไม่มีที่อาศัยของทิฏฐิมองเห็นไหมนั้นสรุปแล้วว่า พระองค์ก็เออท่านก็เอาเอาขันห้ามาตั้งเอาขันห้ามาตั้งเอวันนี้เป็นอะไรห <c oughs> รือหรือเป็นวิธีการไล่แบบนุ่มน้อยอ๋ <c oughs> อของของอะไรอย่างอ๋อตื่นเต้นตื่นเต้นทำไมฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจไง <c oughs> งันท่าเอาขันห้ามาตั้งเปน็นอันดับแรกแต่นั้นท่านก็กล่าวถึงทิฏฐิทั้งหลายที่มีอายตนาภายในภายนอกเป็นต้นเห็น ไ, ไหมว่าที่ตั้งอาศัยของทิฐิที่ที่เกิดของทิฏฐิเนี่ยไม่ใช่เฉพาะขันห้าอายตนาภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นที่ตั้งวิ็นเตศัยอายตนาภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโปรตีนและทำมารมณสรุปแล้วเราจะได้ระวังเห็น ไ, ไหมเช่นคิดถึงตาถึงหูถึงจมูกถึงลิ้นถึงกายถึงใจ อย่าลืมนะถ้าคิดด้วยไม่ชาทิฏฐิแสดงว่าตอนนั้นทิฏฐิได้ที่ตั้งทิฏฐิได้ที่อาศัยแล้วแล้วก็เป็นการพ่อคูณเขาไว้เรียบร้อยแล้วเขาแอบยิ้มทุกวันแล้วไม่เคยทำละไม่ทําลายที่ตั้งก็ได้เลยไม่เคยทําลายที่อาศัยก็ได้เลยเพราะเราไม่เคยใช้วิปัสสนาสมาธิิไปวิจัยไปไข่ควรวิพิจารณาเลยเลยเห็นไหมทีนี้ให้สังเกตดูที่เอ้าเรามีหน้าที่ไปสอนหนังสือ สำหรับผู้มีหน้าที่สอนหนังสือนี่นะอโอ้โหแล้วก็ดูตําราใหญ่วันนี้เราจะไปสอนวิชาอะไรใช่ไหมที่ถีได้ที่ตั้งไหมไในที่อาศัยเข้าไฟก็โอ้หเดี๋ยวอารมณ์ภายนอกเต็มไปหมดเลยเดี๋นี้ยวันวันก็นั่งยืนหน้าชั้นก็ว่าไปป๊อปป๊อ ป, ป, ป, ป๊ไปใช่ไหมนเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเดือนเดืนมาโอเค ใช่ใช่ใช่ใยังไม่ได้กล่าวสมาธิทียังไม่ได้กล่าวเพราะว่าตรงนี้นะกรณีมีอยู่ที่หนึ่งวันทติมาไม่ได้เอานั่นมาคือว่ามีพระท่านถามกันบอกว่าถ้าจะพ้นทุกข์ไม่พิจารณาอะไรใช่ไหมท่านบอกพิจรารณากันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิใช่ไหม เออหมายว่าพาทพาทพาร์ที่ที่เป็นบุรุษชนเนี่ยปรารถนาจะเป็นป้าญาตต้องคิดยังไงก็คิดในรูปเวนารัญญาสังขารญาตคิดในรูปแสงกินรสสัมผัสคิดในตาหูจมูกลิ้นก า, ายเป็นต้นน่ยคิดในอาการแบบนี้ที่ว่าไปนเนี่ยคือทิศฐิมันเอาอะไรเป็นที่ตั้งก็ปัญญาไปวิจัยที่ตั้งของเขาเสียใช่ไหมทิศฐิรับอะไรเป็นอารมณ์ได้ปัญญาก็ไปวิจัยตรงนั้นได้อันนี้พวกเราเจะเรียนปรัสนากันครับแค่นี้ เวลาทิฏฐิรับอดีตนาคตได้เราไม่ยอมเรกผมไม่เอาไม่เอายังไม่ยอมไปคิดที่ตั้งของทิฏฐิไม่วิจัยที่ตั้งของทิฏฐิถ้าพูดโดยสนันุนการลบใช่ไหมหรืออย่างกรณีการเป็นหมอเนี่ยเชื้โรคอยู่ตรงไหนต้องไปทําลายตรงนั้นใช่ไหมต้องไปทําลายตรงนั้นอันนี้เชื้โลกอยู่เต็มไปหมดอดีตนาคตไม่ยอมทาลายคือตัณหาปลอบอดีตนาคดไปเต็มหมดแล้วไม่ยอมทําลายตัณหาในอดีตนาคต อันนี้เขาเรียกว่าทําลายปีกที่ยังมเอาวเขาเขาบอกว่าอาดีตก็ดับไปแล้วทําลายสิ่งที่ไม่มีทำํำลายไมอน า, าคตยังไม่มาถึงทําลายสิ่งที่ไม่เกิดทําลายทําไมที่ต่อเขาว่าไงฮะอาจจะต่อเขาว่าไง แม่ไปตอบอย่างงั้นไม่ถูกเดีอถ้า๋ยวจะตอบว่าไงเขาบอกอดีตก็ดับไปแล้วไม่ทําลายสิ่งที่ไม่มีไปร่านี้สิ่งที่ไม่มีอะอนาคตก็ยังมาไม่ถึงอ่ะก็ไปล่าในสิ่งที่ยังไม่เกิดล่าได้ไงเขาตอบเนี่ยปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามิจฉาทิฏฐิคิดถึงอดีตไหมอาะทาไมไม่ร่าความเห็นผิดใช่ไหม คือที่ที่ป่าวรอดีตซะน่ะแล้วก็มิจฉาทีฏฐิคิดอนาคตไหมก็ต้องล้าใช่ไหมฉะนั้นการคิดถึงอดีตได้จริงจริงมีไหมได้จริงๆด้วยใช่ไหมแล้วทิฏฐิในอดีตนั้นยังไม่เคยล้ะเลยใช่ไหมความมุ่งหวังที่กรรมที่ทําไว้ในอนาคตก็เยอะใช่ไหมยังไม่ได้ละยังไม่ได้ละก็เยอะกรรมที่ทําไว้ในอดีตก็เยอะหมด นั้นจจตัดใจกิเลสตัณหามานณะทิตติทั้งหลายที่เคยเกิดในเดีกก็ต้องเยอะหมดแล้วเราไม่เคยทําการล่าเลยอ่ะปล่อยเลยไงใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็มีกําลังเขาสามารถที่จะเป็นปัจจัยเป็นต้นได้ตรงนี้ก็คือว่าประการต่อมาก็คือพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของหมวดภายในหกวิญญาณหกเดี๋ยวมาดูรายเอียดตรงนี้นะแล้วก็วิญ ญ, ญ 6, าณหกภาษาหกเวทนาสัญญาต่างๆเป็นต้นเหล่าเนี้ยรู้สึกในเอกสารมีใครส่งให้มบ้างเนี่ยเนี่ย สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอารมณ์ของทิฏฐิได้เนี่ยพวกนี้นะเนี่ยธรรมะต่างๆที่ใส่มาเนี่ยนี่อารมณ์อารมณ์เป็นอารมณ์ของทิฏฐิเป็นที่ตั้งทิฏฐิได้หมดเลยเนี่ยดันั้นเขาเขาวิจัยเราสิ่งเหล่านี้เราเห็นอารมณ์ของวิปปนาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเป็ น, ปนไปตามลําดับนี้นะนั่นแหละว่าไปประการต่อมาก็คือว่าทราบวิจัยที่ตั้งของมิจฉาทิฏฐิแม้ขันทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งของ มิจาทิถีเขาใช้คําว่าขันทาปีทิถิทานังเนี่ยนะคืออุปาทานกันห้า 5, ชื่อว่าเป็นเหตุแห่งทิถีทั้งหลายเพราะอะไรเพราะขันห้านั่นแหละเป็นที่อาศัยของสักยะทิถิมีวัตถุยี่สิบถามพระผู้มิภาคเจ้าตร่าวว่าพิสูุทั้งหลายสมณะ ห, หรือพรามพวกใดพวกหนึ่งเมื่อพิจารณาอยู่ก็พกิจารณาเห็นตนเนี่ยสมณะ ห, หรือพราหม์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมพิจารณาในไหนพิจารณาอุปาทานกันห้านี่แหละและขันอย่างใดอย่างหนึ่ง นะในขันทั้งห้าเมื่อพิจารณาก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นฉะนั้นเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเหล่านี้เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของมิจฉาทิฏฐิถ้าจะพิจารณาก็พิจารณาที่ตั้งใช่ไหมถ้าจะพิจารณาด้วยวิปัสนาก็พิจารณาที่ตั้งที่อาศัยของมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ก็คือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้นี่ส่วนหนึ่งถามว่าอาวิชาเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของมิจฉาทิฏฐิไหม อวิชาปีทิฏฐิิฐานังเนี่ยอวิชาเป็นเหตุแห่งทิฏฐิทั้งหลายเพราะอะไรเพราะทิฏฐิเกิดแก่บุคคลใดก็ถูกก็ถูกอวิชาทําให้มืดบอดใช่ไหมและพระบาลีที่บ่กข่าแต่พระองค์ผู้เจริญตรงนี้ก็คือในสังยุตตานิกายทิฏฐานวักบอกว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญทิฏฐิที่ว่าพระสามาสเมตตาเจ้าทั้งหลายในท่านผู้ไม่ได้ตัดสินเองโดยชอบนี่นะ ย่อปรากฏเพราะอาศัยอะไรพระเจ้าข้าบอกกระจายนะธาตุคืออวิชานี้เป็นใหญ่นะักกระจายนะสัญญาเร็วทิฏฐิเร็วย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุเร็วอะไรคือธาตุเร็วอวิชาเนี่ยบอกว่าอวิชานี่เป็นใหญ่นักพระเจ้าว่ากระจายนะบอกสัญญาเรวนะต้หมายความว่าทิฏฐิเร็วเ็วทั้งหลายนมามธรรมเร็วเ็วทั้งหลายอารรถาธรรมเวลามกทั้งหลายเนี่ย ถ้าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นพ่อสายธาตเร็วๆมีวิชาเป็นต้นนี่แหละถูกมเห็นไหมเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ถรับเขาถึงบอกว่ า, าวิชาก็เป็นที่ตั้งของทิฏฐิอวิชาก็เป็นเหตุของทิฏฐิทั้งหลายนั้นในบรรดาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะหมายความว่ า, าทิฏฐิหกสิบสองบวกอีกสักยะทิฏฐิอีกยี่สิบรวมเป็นหกสบสองอีกเหมือนกันเนี่ยอันเนี้มีมีอวิชาเป็นใหญ่นะัก แล้วก็ว่าอ ก, อากุศลธรรมมันลามมกทั้งหลายต่างธาตุเร็วๆทั้งหลายทิฏฐิเร็วๆทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในกรรมวจน์สันดานภาษาทั้งหลายน่ะก็มีนี่แหละย่อมเกิดขึ้นเพราะสายธาตุเร็วๆเมียวิชาธาตุเป็นต้นนี่แหละเห็นไหมเขาส่งสภาวะต่างๆเหล่าๆๆนี้เขาไว้นี่เข้าใจนะประการต่อมาก็คือภาษาเป็นที่ตั้งของทิฏฐิไหมภาษาโปทิฏฐิฐานนางเนี่ยภาษาเป็นเหตุของทิฏฐิทั้งหลายเพราะทิฏฐิเกิดขึ้นแก่บุคคลใดถูกทิฏฐิหรือถูกภาษากระทบแล้ว พระบาลีว่าไงในทีขณิกายสีระขันธวัชในทีคณิกายศีระขันธวัชเนี่ยนะบอกบอกว่าพรรษาเป็นเหตุแห่งทิศถีทั้งหลายบอกว่าพิกสู่ทั้งหลายสมณะพราหมณ์เหล่าใดดําริส่วนอดีตมีความเห็นตามส่วนอดีต ย่อมกล่าวถึงบทที่พอใจหลายๆอย่างแล้วก็ปารบส่วนอดีตแม้ข้อนั้นก็เพราะผัสสะนั่นแหละเป็นปัจจัยนะฉะนั้นบุคคลที่ปารบในส่วนอดีตทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ย่อมกล่าวบททั้งหลายด้วยความพอใจในส่วนอดีตเอาเรื่องในอดีตทั้งหลายมาปารบมาคิดมาไข้ครวญหรือคนระลึกชาติได้ก็เอาเรื่องอดีตมาสอนมาบอกมากล่าวทั้งหลายเพราะผัสสะนี้เองเป็นปัจจัยแกเวทนาเป็นต้ ในที่สุดจริงๆก็เป็นปัจจัยแก่มิข่ายใช่ไหมภาษาเป็นปัจจัยแกเนะ่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแกต่ตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานนี่ที่ฐุปาทานก็เกิดให้ตัวอุปาทานนี่แหละทิฏฐุปาทานทาต่างๆเหล่านี้ที่มีตัณหาเป็นมูลเป็นต้นเหล่าเนี้ยปรารถนในส่วนอดีตใช่ไหมก็ยินดีพอใจก็อดีตเมื่อกล่าวใครเล่าอาดีตล้วพอใจบ้างย้อนเมื่อวานเมื่อวานโมบวชเล่าอาดีตให้ฟังก็เออฟังเห็น ไ, ไหม อดีตเนี่ยวงคนปลาลบแล้วมาเล่าแล้วชื่นใจใช่ไหมนั่นแหละปาลบส่วนนี้ในขณะที่เราชักเรื่องในอดีตของเราเองมา น, นั่งเล่าให้คนอื่นฟังแล้วพอพอใจบางครั้งเลี่ยงไม่เรื่องไม่ดีด้วยนะแต่เล่าด้วยความพอใจเพราะเราก็หักมุมไม่ดีออกเสียใช่ไหมฮะทำจะมุมดีดีให้เกิดขึ้นคนอื่นฟังก็ตื่นเต้นเหลือเกินเคยเป็นไหมล่ะ <c oughs> เล่าด้ว ย, เ ล, วยเล่าด้วยมีมีข่าวที่ตีมีมีรายเป็นมูล มีต้หนหาเป็นมูลหน้าข้อแรกเลยเล่าข้อแรกเลยนั้นคนที่ชอบเล่าเรื่องเล่าต่างๆต้องระวังใจให้ดีนะใช่ไหมต้องระวังใจใดีใช่ไหมอ้าวเล่าโครงการนาคตได้ไหมใช่ถ้าเล่าโครงการนานาคดก็เอาอะไรเป็นมูลมนนะเอามาน้าเป็นมูลตอกข้อสองไปใช่ไหมนียใช่ไหม และทีนี้เล่าความเป็นไปในปัจจุบันในอดีตอนาคตด้วยแต่ไม่รู้ความเป็นไปของปัจจยาการอันนี้มีทั้งมิติตมอม่อหม้อหมื่นโมลเลยแล้เข้าข้อสามเลยเห็นไหม เ, เห็นว่าสัมมาวาจาไม่เกิดไม่ไม่รู้จักสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาจาวาจาไม่รู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาความรู้ของเธอก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ข้อนี้ยกอยู่เงี้ไหอันนี้ตัวนี้จะ ใ, ใกล้ๆสมมุต น, นะเอาลองเทอาละดาไปสอนหนังสือเลยจนเจนี้เอาวันนี้นะครูจะสอนบอกงั้นแม้สมัยที่ครูเรียนนะ้ แม้ครูไม่ไม่ค่อยจะเงอะง่ามเหมือนเธอแล้วก็ใช่ไหมแม้สมัยปัจจุบันนี้อะไรก็ไม่รู้นักเรียนว่างั้นแต่งตัวอะไรกันก็ โ, โหตอนหน้าว่าเสียวมากใช่ไหมแล้วก็เล่าโอ้สมัยครูนี่ไม่มีเลยจะออกจากบ้านมีพ่อแม่กำกับแล้วกำกับอีกว่างั้นเล่เาไปก็ยิ่งความพอใจไป ม, มีตัณหาเป็นภูณ์แต่มีทิฏฐิเป็นตัวนำใช่ไหมในกรณี้เห็นไหมว่าในกรณีอย่างเงี้ยสมมติอาจารไม่ขึ้น เคยเล่าไหมเราแบบเนี้นี่ไงนี่อาจารย์มอญแล้วสำคัญผิดว่าท่านอย่างนี้สำคัญผิดว่าท่านเพิ่งท่านต้องการจะกล่าวแท้ที่จริงเขาเป็นกันได้แต่ว่าตรงนี้ท่านจัดในข้อสองว่ามีมานะเป็นมูลทิฏฐิที่มีมานะเป็นมูล แท้ที่จริงก็คําว่ามีมานะเป็นมูลในที่นั้นก็หมายความว่าตัณหาก็เกิดร่วมไม่เกิดใช่ไหมเกิดไม่ใช่ไม่เกิดนะแต่ว่าท่านจัดให้มีมานะเป็นมูลเอาไว้ภาษาลีบบทจัดท่านภาษาลีบบทจัดถ้าอจัดแปลว่ามานะนี่เป็นขนาดนั้นมานะเป็นประธานท่านจัดว่าให้เป็นมานะเป็นมูลเป็นมูลก็คือเป็นปัจจัยนึ่นเอแต่ก็คือในที่นี้พูดถึงเรื่องที่ถี่นะอาจารยนัดดจะทําอะไรนานก็ไปว่าโครงการเขาไว้ใช่ไหม เอาแล้วก็ไปบอกนักเรียนก็นเนี่ยไว้ถ้าจบแล้วจะสบาย <c oughs> ไปบอกนักเรียนอยังไงจะมาจะได้ไปมีเงินเดือนอะไรต่างๆช่วยเหลือพ่อแม่อะไรต่างๆใช้แต่เราก็พูดไปยังไ้พูดไปเบ็ดเสร็จแต่ในขณะที่พูดเราพูดด้วยตัณหาเนี่ยเออพูดด้วยด้วยทิฏฐิแล้วก็มีมานาเป็นมูลไว้ <c oughs> นักเรียนก็ฟังโหชื่นใจเลยทีนี้ทั้งผู้สอนทั้งผู้ปางเกิดเกิดทิฏฐิมีมานาเป็นมวลกันเป็นแถว <c oughs> นึกถึงอนาคตตอนนี้ยังไม่จบเลยยังนั่งเรียนยืนในห้องเนี่ แต่บางคนเนี่ยไอ้หาพูดถึงอนาคตเนี่ยทะเลาะ ก, กันยังมีเรื่องจะพูดถึงโกองการเนะี่ยอ๋อถ้าเป็นสมาธิที่ได้นี่ยกตัวอย่างเช่นเป็นสมาวาจาคือคือตรงนี้ห น, หนึ่งหนึ่ง <c oughs> เกี่ยวกับในเรื่องของกถาสมาวาจาเจตนาสมาวาจาใชไ่ไหม โดยมากให้เป็นไปกับคาถาสัมมาวาจาแระก็เจตนาสัมมาวาจาถ้าคาถาสัมมาวาจาองค์ทำได้แก่กุกศลจิตุบวบาทถ้าเจตนาสัมมาวาจาคือเจตนาที่เกิดร่วมกับกุศลหรือกิริยาถ้าเป็นบาริยาอะไรเงี้ยนะอันนี้เราก็ต้องดูว่าเออเป็นไปกับการปารถในส่วนนี้ประโยชน์ไหมหถ้าเรานึกถึงประโยชน์ด้วยแล้วก็ใครควรพิจารณาไปในขณะเดียวกันก็คือเข้าใจอ่ะเข้าใจกรรมสักตาสมมาทิฏฐิเป็นอย่างดีเนอะในขณะเราพูดอย่างนี้ี่ไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็น แต่ได้มากมันเล่าแล้วเพลินสนุกยังนะ<า>เราไม่ได้คิดมุมนี้เลยอะ<า>อะาถามถ้าไม่เคยฟังทําความเข้าใจอย่างนี้จะมาแต่ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วจะระวังมากขึ้ น, ไ, นไหมเห็นไหมนั่นแหละความระวังจะเกิดมากขึ้นก็ต้องมาสังเกตตัวเองว่าขนาที่ฟูนั้นคืออย่างนี้เขาคิดไว้ก่อนนะเขาคิดไว้ก่อน ไม่ใช่ว่าไปถึงปัจจุบันก็ลุยไปปุ๊บปั๊บเลยความจานานเลยมันก็เข้าร่องเดิมมันลึกร่องนั้นมันลึกและดอดขึ้นมาร่องใหม่แล้วแล้วมันตกเดี๋ยวเราจะไปขยายฟังมันตกเขียวเขียวคือทิถีตัวนี้ไอ้ร่องเดิมตัวนี้ยมันจะตกไปร่องเดิมอยู่เลยเขาเรียกแผ่นเสียงตกร่องพูดไปพูดมาก็วนตรงนั้นแหละอันนี้คือภาษาเป็นมูลนะอันนี้ก็ไปดูใน งที่ได้กล่าวทีค้าร า, ารการนะศีรขันธวัถ้าต้องการเก็บรายละเอียดเพราะเก็บให้ไม่ไหวแล้วนะเยอะเหลือเกินจริงถ้าไปตามรายละเอียดทั้งหมดนี่โอ้ยุ่งเลยเนี่ยงานเนี้ยไม่ไปไหนกันนี่ก็ยพยายามจะเดินหน้าก็เดินไม่ได้ทั้งนีตัวอย่างตัองตรงนี้สักาได้ตัวอย่างชัดขึ้นอัน น, นี้ได้หรือยังได้อ๋อได้แล้วนะหรือยังไม่ชัดอีกอาจารย์แล้วอาจารย์อาจารย์จะ อะไรนะจะพูดอะไรเป็นข้อสจะได้สข้อแล้วจากอดีตจอนาคตจากาข้อสจะพูดเรื่องอะไรเรื่องที่สัมมาวจจะสัมมาวจาก็คือคื อ, คอถ้าเราได้ถ้าเราได้ประเด็นในกรณีอย่างนี้แล้วสิ่งต่างๆนั้นก็น่าจะน่าจะ น, น, น่าจะไม่ค่อยอยากเท่าไหร่นะจะมาสมมุติเราจะสนทนาอะไรต่างในเรื่องของอดีตก็ดีในเรื่องของอนาคตต้นหรือเรื่องปัจจุบันความเป็นไปก็ดีเนี่ย มันมันก็น่าจะกําหนดไม่ยากแล้วหนึ่งจำในเรื่องของของเกี่ยวในเรื่องของเกี่ยวในเรื่องของกาถาสมาวาจาเจตนาสมาวาจาวิรติสมาวาจาในชัดใช่ไหมถ้าเพราะเราต้องการน้อมไปสู่วิรติสมาวาจาเพื่จะให้เป็นสมาวาจาให้ได้ใช่ไหมโอยตรงนี้สําคัญมากเลยอย่าก่าอย่าเก่าวมิจฉาวาจา วิชฉาวาจาเนี่ยมันมีอกุศลเป็นฐานพูดเพอ่พอๆก็เป็นวิชฉาวิจาร์ <Yeah. S 1> ต้องต้องระวังตรงนั้น mm. ใช่ไหมบางที่โกรดนักเรียนแย่เลยเนี้ยแต่ไปพูดเท่าแม่นักเรียนเหมื่เป็นยังไงอตัวนี้นะแม้วันนี้วันนี้ม่าเคยเข้าห้องเรียนกันแนะอะไรนะแตในใจโหนโกรธเนี้าดูใะอาตมาเคยเจอเนี่ยเข้าให้อาตมา ไ, ไปสอนอนักเรียนอพาณิชย์เนี่ยมีอยู่ครัง้งหนึ่ง แล้วไม่รู้ไป็นไรเขารวมรวมว่ามันนีเกที่สุดคือเอาห้องที่เกที่สุดเดีวเขายืนมอนพาไปองไหนก็ไม่ไปแต่นี้ไม่รู้มุมไหนก็รู้เขาบอกตอนนั้นน่ยมา ย, ยังยังยังไม่ได้สุขภาพของท mm ิ hmm. ้งแรงเดี๋ยนี้มอนเอามาไปมาเป็ปนนี่มอนไปโอ้โหเห็นสภาพแล้วหมดปนกันพอ mm hmm. มาถึงป้ามาบางพวกก็หยิบอะไรมาแต่งหน้า อะไรแต่นี้ย่งแล้วเขาจะคุยกันจอกแจกจอกแจแต็ไมไปหมดเลยจะทำไงนันวานึกนี่โอ้แล้วอย่างมาดูเคยมีความรู้สึกไหมว่าเราเข้าไปหน้าที่ใดแล้วเหมือนเราอยู่กันคนละโลกอะ่ะมันไม่ใช่โลกของเราอะ่ะโอ้โหมีความรู้สึกขนาดนั้นเลยเนะี่ยบอกอุยอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ย เหมือนคนละโลกเลยแล้วไม่แค่นั้นนะนะเข้าไปเขาก็ถามกั็นละแซดลแล้วก็ถามคกลควลลนดะ้วยเนาะยอสเป็นผู้หญิงด้วยนะเด็กผู้หญิงเลยนะถามสารภาพทำไมแต่ว่ามันมันมันทึนนน่กอันนี้ก็เลยไม่ไม่เล่าเพราะว่าจริงๆบางทีสิ่งที่ถามเนี่ยเป็นการถามแบบดูหมิน่นไ อ, อ้มาเนี่ย ใ, ใจอ้มาก็เลยบอกว่าเอ็ น, นี่หนูอายุเท่าไหร่เนี่ยเขาบอก กลับไปที่บ้านแค่ไปไปถามคุณพ่อที่บ้านว่าคุณพ่อสมัยที่บวดเนะี่ยเขาทำยังไงผมยังเงียบเลยนั่งเงียบเลยมาๆก็ย้อนถามย้อนถามนั่งเงียบหนเลยแต่เนี้ยคือคือหนึ่งเอาคําถามของเขากลับไปเป็นคําถามเขาแล้วก็ย้อนให้เขาไปถามพ่อคุณพ่อแทนเพราะเขาถามเรามันเป็นคําหนักมากใช่ไหม แล้วก็ย้อนไาให้กลับไปถามคุณพ่อว่าสมัยที่คุณพ่อบวชน่ะว่าคุณพ่อทํำยังไงเป็นต้นโอ้โหเขาเขานั่งเงียบเลยเยนั่งเงียบเป็นแล้ ว, ก, ล ก, ก, วก็เลยบอกเขาบอกว่าเนี่ยคือก็เลยบอกเขาบอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยถ้าหากคนที่เขาเราเป็นคนที่แสดงความโง่เขาให้พระดูไม่เหมาะเลย ใช่ไหมงั้นอากับกิริยาที่พวกเราสแสดงกันทั้งหลายเป็นความสแสดงความโง่ออกมาทั้งนั้นเลยไม่ได้สแสดงความฉลาดใดเลยเขาพูดบอกครับางคนก็นั่งฟังเขาคงโกรธบ้างเลยท่าเมื่าอันนี้มาพูดใครถามมันมามาก็เอาคำถามก็ย้อนกลับมาแล้เราก็ย้อนกลับเนียบนแล้วทีนี้ก็เลย ไปไปมาทางขนาดว่ามีครูผ <gu> <ayan> ู้ฝ่ายปกครองอยู่นะเขไม่อยู่เนี่ยเขาบอกว่าจนไม่มีนิมนต์พามามีใครลยเขาบอกจนนิมนต์จะมองมาบอกพอแล้วมาบอกพอแล้วเห็นแล้หน้ากลัวมากมันเหมือนเราไปอีกโลกหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่โลกของเราหน้ากลัวคือคือจริงๆแล้วเป็นเด็กไม่ฉลาดถ้าเด็กฉลาดไม่เป็นคนเดิน สังเกตถึงนี้ถ้าเด็กฉลาดก็ชอบข้อมูลใช่ไหมชอบข้อมูลชอบแสวงหาความรู้อะไรอย่างงี้อันนี้ก็เป็นเด็กที่ไม่เอาอะไรแล้วเป็นเด็กที่จะไม่เอาเลยแล้วถูกไปวิจฉาทิฏฐิกล่อมกลาวจนโอ้ยจนแข็งกระด้างหมดแล้วเป็นเร่น่ากลัวมากทุกวันเนี้ยกรณีอย่างนี้จะมากขึ้นมาคือไอ้ตรงนั้นก็พูดว่ากันไปสัญญาก็เป็นที่ตั้งของวิจฉาทิฏฐินะสัญญาเป็นเหตุของทิฏฐิทั้งหลายเพราะพัญญาถือเอาสภาพที่ไม่จริง เห็นไหมว่าเวลาทิฏฐิเกิดร่วมกับสัญญาสัญญาก็ไปถือในสภาพที่ไม่ไม่จริงโดยถือเอาเพียงอาการและเพราะคำของสัพยาปริภาชกที่ทูลถามพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบอกว่าพระผู้มีภาคเจ้าพระตัญญาเสมอด้วยแผ่นดินเนี่ยพระองค์ทรงกำจัดทิฏฐิสามแล้วก็มิชฉยทิฏฐิต่างๆน น, นะ ในคัำพีอันเป็นวาทาเป็นประธานของสมณนะหรือเจ้ารทัทติอื่นที่อาศัยอักขระหรือความหมายรู้กันว่าเป็นหญิงหรือชายสัญญาณวิปริตสัญญาณวิปริตน่ยนะก้าวล่วงความมืดคือโมคาไอคือโอคาได้แล้วเออในส่วนตรงนี้ก็หมายความว่าไปดูในสุตตานิบาตนะขุตการิการสุตตานิบาตนะ่ยตรงนี้ท่านถ า, ถามถึงเกี่ยวในเรื่องของพวกรัติอื่น อาศัยอัคาระความหมายที่รู้กันว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นเนี่ยอันสัญญาวิเดือ่าพระพุทธเจ้าเป็นคนข้ามก้าวล่วงโอคะอย่างนี้ได้แล้วคือหมายความบอกว่าคนที่มีบางครั้งบางศัพท์เนี่ยถ้าไปดูในสก a b r ปัญหาสูตรนะถ้าที่อรมาคิดได้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสัญญาที่ประกอบกับป่ปัญญธรรมก็คือตันหามนาัสิฐิ์นี่แหละที่มีสัญญาเกิดร่วมนั่นเองนั้นะที่มีสัญญาเกิดร่วมนั่นเองนั้นในกรณีที่ เวลาทิฏฐิเกิดตัณหาเกิดมานะเกิดแล้วมีสัญญาเกิดสัญญาก็ไปจําหมายว่านี่หญิงนิชายใช่ไหมนี่เป็นอ า, อาจารย์ไปเติ้ลเหรอนี่พอไปจปําบ็ดเสร็จเหล่านั้นก็ไปถือถือโดยความหมายว่ามันมีอยู่จริงๆก็เลยเป็นสัญญาอันวิปริตแต่สัญญาอันวิปริตเหล่านี้พระผู้มีพระภาพจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นนะพระองค์นะ่ะข้ามได้แล้ว พระ อ, อ, องค์นั้นนะ่ะก้าวล่วงความมืดคือโอคาคือกาโมคาพระโอค า, ออาที่โโขคาและววิโชคาได้แล้วเในรายละเอียดนะจะกล่าวในรักษาะนี่ยตามรายละเอียดก็ดนกู่นในขุทกการนิกายสุตตานิวัตทีนี้ในพระบาลีบอกทำส่วนแห่งความเนื่นช้าคือสัญญาเป็นเหตุต่างที่ได้กล่าวนี่แหละฉะนั้นในกรณีอย่างเี้ยเขาเรียกปรปัญจะสัญญานะี่ยปปัญจะสัญญาคือสัญญาที่เป็นไปกับตัณหามนณะทิฏฐิเขาเรียกว่าธรรมะที่ขยายวะตะัตต์ ใช่ไหมขยายวตะกเขาเรียกว่าทําให้เนิ่นช้าเอาอย่างเราเนี่ยเจอตันหมามันนาทิติแล้วที่มีสัญญาเป็นประธานหรือเกิดร่วมเนี่ยในกระแสขานท่าระยะทนะของเรายาวนานไหมเห็นไหมเราผ่านพุทธิยามมาเท่าไหร่เนี่ยฉะนั้นวัตตาของเรายืดได้ยาวจริงๆใช่ไหม <ๆ S 1> ทีนี้ถ้าหากเราไม่สามารถขจัดความเห็นที่วิปริต มีสัญญาความจำที่วิบปริตตัวนี้ออกไปจากกมว ล, ละขันหรือกระจากสันดานเราดังเราจะขยายต่อไปใ น, นอนาคตย่ามาว่าไปเจอหน้าใครอย่าไปบอกนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในอีกสี่สิบสี่สิบประสงค์ไขนข้างน้ายุ่งไหพูดไหมบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในสี่สิบประสงค์ไขข้างหน้าเอาไปไม่เอาเลยเนะ เอาองคำนวณดีคิดว่าจะเกิดถึงอีกยี่สิบวัตต์สองไกไหมเลือกเอากันเลยเลือกอ๋อแสดงว่าโยมว่าต้องการอยู่แค่พัตตะกับนี้เท่านั้นนะนี่ยอย่างไงอยาให้อยากให้ข้ามเลยพระศีแอไม่ตายไปใช่ไหมเพราะถ้าอย่างนั้นจะกลายเป็นอสุนยากบนะเออเป็นสุญยากร อาศุญญากับกรับที่ไม่มีพระเจ้าใช่ไหมเป็นอาสุญญาไม่มีพระเจ้าอีกนานมากไม่ว่างนะเน เ, นเนกินเกินอาสงไขกลับวนะ่าไงเอาไม่ลองยอยู่ต่อเออใครต้องการจะยอยู่ต่อ ถก็จะอยากอยู่ต่อไม่ยากก็ประมาทไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องไปเร่งความเพียรอะไรนะโอ้โหถึนี้นะแม้วิตกก็เป็นที่ตั้งของทิฐินะมีคำวิตร์โกปีนะทิติฐานนางเนี่ยนะวิตกเป็นเหตุของทิติทั้งหลายเพราะทิตีเหล่านั้นนะนะเกิดขึ้นได้วิตกถึงอาการตามพระบาลีที่พระทธญาตรัสบอกว่าเว้นจากสัญญาเสียสจะมากหลายต่างๆกันชื่อว่าเที่ยงนะ ไม่มีในโลกปศุชนารามทั้งหลายมากําหนดความคาดคะเนในทิติทั้งหลายจึงกล่าวทิฏฐิธรรมมันเป็นของกู้กันว่าจริงว่าเท็จไอตรงนี้เป็นก็ในสุตานิบาตเหมือนกันตรงนี้นะเนี่ยนี่ก็เกี่ยวกันในเรื่องของการกําหนดไอวิตกเนี่ยนะการตรึกต่างๆเหล่านี้ในจัจจะทั้งหลายก็มีการถกมีการเถียงกันว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเท็จเป็นต้นเหล่านี้ยแม้อโยนิโสมนัสการก็เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของ มิจฉาทิฏฐิตรงนี้ไปดูหลายที่ได้ตรงเนี้นีดูไดหลายที่ในมูละัณ น, นาตกมมา็มีมัจจิมานิกายมูระปนนาตก็มีอโยนิโสมนัสการเป็นเหตุของทิฏฐิเนี่ยคือในเอกนิบาตก็มีนะอโยนิโสมนัสการเป็นเหตุของทิฏฐิทั้งหลายเพราะอโยนิโสมนัสการเป็นเหตุเฉพาะอักษรธรรมทั้งหลายพระบาลีที่พระเจ้าตรัสบอกว่าพระโยคาวจรนั้นทําไว้ในใจโดยอุบายแ ย, ยบไม่แ ย, ยบคายทิฏฐิอกะการอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเป็นต้นและมิจฉา เป็นที่ตั้ของวิจฉาทิฏฐิได้ไหมมาจากคำว่าปาประมิตรปีติติฐถานังเนี่ยนะตรงนี้ก็คือในอังคตตรารกาเอกรนิบาตไปดูในเอกรนิบาตรู้สึกเคยนํามากล่าวเลยตรงนี้นะก็หมายความบ่ามิชั่วเป็นเหตุของทิฏฐิทั้งหลายเพราะทิฏฐิเกิดขึ้นโดยการยึดอมิชั่วเป็นแบบอย่างโอยน่ากลัวมากพระบาลีที่บอกว่าภิกษุทั้งหลายเพราะชี้แจงถึงเหตุภายนอกเราไม่พิจารณาเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่จะเป็นตายเพื่อความฉิบหายอันใหญ่หลวงเหมือนมิดชั่วนี่เลยโอ้โหตรงเนี้ยนะฉะนั้นการครบบุคคลก็ต้องพิจารณาไว้โอ้โหถ้าเราไปครอบคนวิจารณ์ทิเทียใช่ไหมนี่ตรงนี้เขาบอกว่าอย่างนี้เขามองอย่างนี้นะว่า คนพาณเนี่ยคนพาณิเนก็ให้ดูตรงไหนคนพาณิเขาให้ดูอกุศลในขณะที่อกุศลธรรมเกิดขึ้นในกระแสขันของท่านผู้ใดในขณะนั้นเรียวกว่าพาลาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นพาณและเป็นเหตุให้คนเป็นพานน่นิในขณะที่กุศลเกิดขึ้ น, นเรียกปันดิตตาธรรมมาแล้วก็ความเป็นพาณกับความเป็นบัณฑิตอันไหนมากกว่ากันนะสัก ขีนใครกำลังอัดสริเกิดแล้วก็เดินหนางางหน่อยตอนนี้ไม่ครบครัถามวันนี้ไม่ใช่คนคนนี้คันครบต้องบอกงันวานะเขาบอกว่าให้จัดการเอาออกไปเสียคนนี้เราไม่ต้องการครบด้วยเดี๋ยวเขาก็ไปจัดการก็จัดการเบรเสร็จแล้วเออท่าที่คนนี้ครบได้แล้วพกนี <laughs> ้จต้องอย่างนั้นนะต้องแปงกายนะเพราะว่าจริงๆมันสลับอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมใช่จังะแล้วเราก็ต้องบอกคนอื่นเขาด้วยตอนนี้มันเป็นใช่ไหม ถ้าเราเกิดว่าอกุศลจิตเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วก็บอกเดี๋ยวเดยเยอย่าเพิ่งคุยอะไรกันเดี๋ยวนี้ขอร้องขอร้องกงั้นตได้ไหมเอาเรื่องจริงเป็นงั้นนะถึงไห้เราบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอขอขอขอละอกุศลหน่อยพอละเบสิกก็อ๋เรียบร้อยแล้วคนขนาดที่รู้ว่าเราเป็นคนทานเราก็กำลังเป็นคนดี บางครั้งมันรู้น้อ ย, อยต้องรีบกระจัดความรู้มันกว้างขวางก่อนเพราะเรารู้ว่ามันจะวิ่งเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยต้องบอกเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยเยอะขึ้ตอนนี้เรายังเป็นคนพานอยู่อยเ อ, อ๊เออถ้าเราบอกความจริงกันอย่างนี้มันจะรู้เลยนะแล้วจะระวังมากเลยใช่ไหมเ อ, อ๊ะได้หนี่ก็อยู่คุยกันบ่อยๆก็บอกที่ตอนนี้รู้สึกก็า เ, าเราชักใจไม่ค่อยดีเลยก็บอกกันบอกกันเดียบหรอ <c oughs> พราะถ้าหากว่าเกิดมันประเภทคนพานมันเกิดบ่อยเพื่อนจะได้ตำหนิเอเอ๊ะทำไมเกิดบ่อยแล้วเกินเน่ยนะแล้วล่ะเสียงล่ะเป็นที่ตั้งของมิจฉาทิฏฐิได้ไหมปรตโขสาปิทิฏฐานางแม้เสียงแต่ที่อื่นเสียงแต่ที่อื่นทําให้เป็นมิจฉาทิฏฐินะคาถาที่ประกอบมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิด้วยเพราะทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นโดยการฟังเสียงธรรมที่กล่าวไว้ไม่ดีเอาละสิตอเนี้ย ฉะนั้นาใครแสดงธรรมที่ไม่ดีแสดงธรรมที่ไม่ถูกนั่นแหละเสียงนั่นแหละจะเป็นที่ตั้งของมิจฉาทิ่ฐิถ้ามีใครกล่าวว่าทำผิดนะนั่นแหละเขาเรียกว่ามาจากศัพท์บอกว่าปรโตโคสาปิทิฏฐานังปรโตโคสาปิทิทธานังไปดูในอังคุตระลักายทุกกานิบาทนะเรี่ยมที่ยี่สิบ ด้วยมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุแห่งทิฏฐิทั้งหลายเพราะทิฏฐินั้นโดยการฟังธรรมะที่กล่าวไว้ไม่ดีพระบาลีบอกว่าพิกเตทั้งหลายเหตุสองอย่างปัจจัยสองอย่างเหล่านี้คือเสียงแต่ที่อื่นและอายุนิสโสมนัิการย่อมเป็นไปเพื่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิในอังคุตระนิยการในทุกกานิบัติไปดูนี่ก็ไปไล่ตามลำดับฮะก็จากหนังสือก็ส่งข้อลงไปอ่าจะก็ส่งข้อลงไปในข้อนี้ไป เช่นไปอ่านหนังสือที่กล่าวไว้ไม่ดียไม่ถูกอ่ะเป็นพหุนยิงเดือทุกวันเนี่ย <c oughs> ลําบากจริงใช่ไหมแยกก็ยาก <c oughs> แยกะแยกก็ยากแล้วจะทํำยังไงเนี่ยใช่ไหม <c oughs> เราหาคนที่เป็นผู้รู้จริงๆมาดูปุ๊บแล้วให้เข้าใจอ่ะทำไ ห, <c oughs> หาได้ยาก <c oughs> หาได้ยาก ใช่ไหมตรงนี้เป็นเรื่องที่แม้ยุค 2,500 กว่าปีเท่านั้นเองไม่น่าจะมีสิ่งที่มันแปดปลอมเข้ามามากขนาดนี้หลยใช่ไหมอ่านก็ไม่ค่อยเข้าใจเห็นไหมตรงนี้ก็ต้อง ฉะั้นเวลาบอกกล่าวตรงนี้ก็พยายามจะนําเสนอก็อจะได้เป็นกุญแจใช่ไหมให้กัเราท่านทั้งหลายจะได้รักษาตัวเองนะซึ่งซึ่งเกิดในยุคนี้เป็นยุคที่หน้าเป็นห่วงมากว่เาเราจะป่าปันดงของมิจฉาทิฐิกันออกออกไปได้ยังไงอันนีน้น่าเป็นห่วงเพราะมันมันลบชัดเต็มไปหมดนะประเด็นทางนโยบายองนาการีกลตัดไปว่าจะจุดไหน ฉะนั้นภาษาริบุตรเทระเนี่ยเมื่อจะไขเนื้อความแห่งที่ตั้งของทิฏฐิทิฏฐิฐานนางก็กล่าวว่าขันทั้งหลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยขันธาเหตุตูขันธาปัจจยาที่บอกขันทั้งหลายเท่านั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยอุปธรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ช่วยอุปธรรมเพราะอาศัยทิฏฐิทั้งหลายเป็นต้นเป็นไปคําว่าเพราะอาจว่าเป็นที่ตั้งขึ้นสมุทฐานนัทนะก็คือบอกว่าวิเคราะห์เป็นที่ตั้งอาจว่าเป็นเหตุตั้งขึ้น เกิดขึ้นเป็นเหตุเพราะอาว่าเป็นที่ตั้งขึ้นท่านอธิบายว่าเป็นเหตุของทิฏฐิทั้งหลายนั่นเองทีนี้ภาษาในบุทก็ขยายประเภทของทิฏฐิโดยประเภทองังกฤษดยการก้มรุมอะแล้วก็เกี่ยวกับนเรื่องของบอกว่าทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิขตานี่คืออะไรทิฏฐิขตะทิฏฐิคือทิฏฐิรกชัดทิฏฐิเพราะอาจว่าไม่เห็นตามความเป็นจริงการไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยนะการเห็นไปในทิฏฐิทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าทิฏฐิขตะ เรียกว่าทิฏฐิขต่าคาราวมันเห็นคําว่าคตานั้นเป็นเห็นไปตามตามในสิ่งที่มันเป็นจริงอย่างลงสู่ไหนอย่างลงสู่มิจฉาทิฏฐิหกสิบสองอย่างลงสู่ในสักกายทิฏฐิยี่สิบทีนี้ชื่อว่าทิฏฐิขตะเพราะยึดอะไรยึดถือส่วนที่สุดอย่างย้ำอย่างเดียวในบรรดาส่วนสุดสองอย่างก็หมายความว่าเป็นทิฏฐิขต่าไปก็ยึดอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะยึดอย่างใดอย่างหนึ่งไป จะเป็นศัตระหรืออุเฉทาก็ยึดไปรกชัดเนี่ยมาจากกรรมอาทิฐิข้าหะตังเนี่ยขานังเนี่ยข้าหะนังเลยนะเพราะอาตว่าก้าวข้ามได้ยากที่เขาว่ารกชัดเนี่ยรกชัดเนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่าข้ามได้ยากดุดอะไรดุดรกชัดของพวกยาเอยพวกต้นไม้พวกป่าเขาเป็นต้นเหล่าเนี้ยอีกอย่างหนึ่งทิฐิเนี่เป็นกันดานด้วย ในดงของเทิฏิทั้งหลายเนี่ยเป็นรกชัดแล้วยังไม่พอใช่ไหมคำว่ารกชัดในที่นั้นก็คือข้ามได้ยากพ้นได้ยากเพราะการที่เราจะจะป่าป่าดงดิบเนี่ยนะหรือว่าเกี่ยวในเรื่องของหนามต่างๆที่มันประสานกันอย่างหนาแ น, น่นถ้าเราจะเดินไปโดยไม่มีสัมมาทิฏฐิเดินเนี่ยเราจะถังอะไรเราเดินไปกระโชคเลือดถ้าไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะถากในการที่จะฝ่าฟันหรือเกี่ยวกับมิดฉาทิฏฐิให้ออก ใช่ไหเฉะนั้นท่านนึงต้องให้ใช้สมาธิเถี่ยให้รู้จักว่าอันนี้เป็นวิจาทิฏฐินี้เป็นสมา ธ, ธิิก็อุปมาเหมือนกับใช้มีดเน่ยใช้ปัญญาประดุดดังมีดถามโลกชัดคือทิฏฐิพราถามตัดขาดแล้วกองไว้ก็สสมนั่นแหละแล้วมันขึ้นมาใหม่ก็ถามไปเรื่อยๆเนี่ยนะอย่างเงี้ยโลกชัดนั่นแหะข้ามได้ยากทิฏฐิกันดารนะ่ะทิฏฐิกันตารังเท่าว่ามีความลังเกียจมีภัยเฉพาะหน้านั่นแหละทาไม เออถ้าเราไปดูบอกว่าโจ ร, รกันดานใช่ไหมกันดานเพราะโจรเนี่ยหรือมีสัตว์ร้ายเงี้ยแล้วก็มีแม่น้ํามีมหาสมุดขวางอยู่หรือว่าสถานที่ที่ไปอยู่แล้วเนี่ยทำมาหากินยากไม่รู้จะไปลงทุนอะไรลงทุนกะเจงลงทุนกะเจงเนี่ยกันดานมากสถานที่บางแห่งเนี่ ย, ยกันดานมากเลยนะไม่เ อ, อื้อมำนวยต่อการลงทุนไม่เ อ, อื้ออนวยต่อการจะค้าขายประกอบอาชีพใดๆทุกชนิดเลยเนี่ยนั่นก็เรียกว่ากันดาน ทิฏฐิก็เป็นที่กันดานอย่างนั้นแหละคนที่มีมิจฉาทิฏฐิฝังแน่นในกระแสของขันธ์ธาตุนิยตนาเนี่ยกันดานมากเราจะปลูกศรัทธายังไงเราจะปลูกวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ได้เลยลองศรัทธาไปมันก็เป็นมิจฉาทิโมกไปถ้าลองไปสิถ้าจะเอาสติลงไปมันก็เป็นมิจฉาสติใช่ไหมเอาสมาธิลงไปมันก็เป็นมิจฉาสมาธิเอาวิตกลงไปมันก็เป็นมิจฉาวิตก เอาวิริยาลงไปมันก็เป็นมิจฉาวายามะใช่ไหมเอาวาจาลงจะพูดอะไรต่างไปก็เป็นมิจฉาวาจาทําอะไรไปก็มิจฉากรรมตะประกอบอาชีพอะไรก็เป็นมิจฉาอาชีวะแม้จะคิดว่าจะทําให้ตนเองหลุดพ้นยังเป็นมิจฉาวายามีิจฉาญานะเลยใช่ไหมต้องการจะหลุดพ้นเลยเป็นมิจฉาวิมุตต์ก็อีกแล้วปลุกลงไม่ได้หรอกกระแสะขานที่เต็มหนานแน่นไปด้วยมิจฉาที่ติเพราะมันกันดาน มันกันดารสัตว์ไล่ก็เยอะทั้งภัยต่างๆมันก็มากฉะนั้นเอามักลงเราจะเอากุศลและธรรมใดๆลงไปมันแปลสภาพหมดเลยเอาที่ฟังลงไปที่ฟังลงไปก็เสียเองเอามาสอนได้ยังไงคนมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมนั้นถ้าตั้งมิจฉาทิฏฐิไว้ฟังทำมันก็ทลาดดิเพราะมันเอามิจฉาทิฏมาจับถามว่าขนาดฟังตัวหน้าก็พักเงี้ยจับเลยอใช่ไหม นี่ฟังออกไว้ตรงเนี้ยอริทกาฟภิกษุก็ฟังใช่ไหมฟังพระเจ้าเอาวิถาทิ่ถีไปจับไหมวิถีไจับจับจับจับจับก็ได้วิชามักออกมาเอาสิตรงเนี้ยเ <c oughs> นี่ยก็มันกันดานแบบนี้มองเห็นไหมโย่ <c oughs> ได้ทำไงเงี้ยถ้าเราตัง้งวิชทิีเขก็ไว้แล้วมาเอาลงไปเสียหมด <c oughs> เพราะว่ามัน มันไม่ได้ถามให้ดีต้องใช้วิปัสสนาสมาธิติดตามถามก็พอาถามก็เผจนว่าเออจะเอากุศลธทําลงได้เลยลงลงลงลงลที่อริยมรรคลงได้แล้วสบายเลยแตเนี้ยนะเขาเรียกกระจัดมิจฉาทิจิได้อย่างถาวรเด๋ต้องมองให้เห็นอย่างนี้มันถึงจะเออจะได้เข้าใจใช่ไหมหมอเห็นยังไงนี้อ่านมาบ่อยไหมไมิจฉาทิจีเนี่ยแล้วเข้าใจดีอย่าง พราเขาใจเนี่ยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นท่านในขณะที่ฟังทำได้มิจฉาทิฐิก็ดีประกอบอาชีพการงานได้มิจฉาทิฏฐิก็ ด, กดีนั้นชื่อว่าชื่อว่าไม่ยังกุศลธรรมอะไรให้เกิดเลยนะมันเขาเรียกว่าเอาข้าวไปลงก็ตายมันก็ตายดีเพราะว่ามันไม่ได้จัดการพื้นที่ให้ดีมันก็ตายหมดเลยเอาพืชชนิดไหนไปลงก็ตายมันปลูกไม่ได้ นันกระแสขันที่เตรียมไปด้วยมิจฉาทิฏฐิกันดานวิจิตติแล้วปลุกในธรรมสังคณีนะท่านกล่าวบอกว่าทิฏฐิกันดารโรที่บ่า ก, กันดานด้วยทิฏฐิชื่อว่าทิฏฐิเป็นเส้นน้ำด้วยนะทิฏฐิวิสูกังก็บอกว่าเสียดแทงคําว่าเป็นเส้นนนา้นมันแทงเคยโดนน้ําทิ่มน้ําตามไหมแล้วมันแทงมันเจ็บเงินเน่ยเดี๋ยที่เสียดแทงนะเพราะอะไรเพราะตรงกันข้ามกับสมาธิ ทีนี้ความเห็นผิดเมื่อเกิดขึ้นก็เสียดแทงแล้วก็สวนทางกับการเห็นชอบในคัมภี์ธรรมสังคณีนะในคัมภี์ธรรมสังคณีก็บอกว่าทิตถิเนี่ยวิสูกายิคังเป็นข้าสึกของทิตถิทีนี้ประการต่อมาก็ามา่าทิตถิวิบัติมาจากคว่าทิตถิวิพันธ่ตังเนี่ยเป็นทิตถิแ ป, ปรปลวนหรือผันแปรผิดรูปไปจากที่บางครั้งถือเอาไง บางครั้งกับแปรหรือผันแปลจากศักยญาติทิฐิดีๆเนี่ยน ะ, นะบางครั้งมันจะแปลสภาพกลายเป็นสัสตสถาทิฐิและเราก็เคยเป็นมาแม้ในปฏิาาบัติวันพรภพเนี่ยก็เคยเห็นแต่ก่อนยังไม่ศึกษาก็สอนเนี่ยบางทีไปเข้าใจได้ซ้าไหปว่ามันเที่ยงนะบางทงีแล้วบางครั้งก็แปลรวบหรือผันแปลไปเป็นอุเฉตทิฐิงั้นเจ้าทิฏฐิไม่สามารถตั้งอยู่ในทิฏฐิเดียวได้ ก็หมายความว่าในบรรดาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในทิฏฐเดียวบางครั้งก็ระลึกเป็นสัตสตาทิฏฐิบางครั้งก็ระลึกไปเป็นอุเฉตทิฏฐิบางครั้งก็เห็นว่าขาดศูนย์บางครั้งก็เห็นว่าเที่ยงเนี่ยเชื่อว่าทิฏฐิเนี่ยเป็นสังโยชดด้วยใช่ไหมทิฏฐิสัญญชนังเนี่ยเพราะทิฏฐินั่นแหละรประกอบในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เขาว่าประกอบอะไรประกอบสัตว์ไว้เห็นไหม ประกอบสัตว์ไว้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยไม่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันด้วยไม่เป็นประโยชน์ในภพหน้าด้วยโดยเฉพาะก็คือดึงให้ตกจากประโยชน์อย่างยิ่งคือปานิปานเป็นต้นทิศทีเป็นลกนูกศรมาจากคำว่าทิศทีสันลังเนี่ยทําไมเชื่อลกอูกศรเพราะอาจถรวาเจาะเข้าไปภายในด้วยอาถรวากําจัดออกได้ยากมากไปเจออยู่สูตรหนึ่งโยมก็ถามพระบอกว่าพระคุณเจ้าเนี่ย มานอนอย่างเงี้ยนอนหลับได้ยังไงใช่ไหมเออนอนในดินนอนกับป่านอนกับสถานที่แบบนี้ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆเลยทายําไมก็าคนยากนอนเลยท่านก็ตอบกลับบอกว่าก็ขนาดคนที่เขามีลูกศรปักอยู่เขายังนอนหลับกันได้แล้วอาตมาถอดลูกศร อ, ออกแล้วทําไมอาตมาจะนอนไม่หลับใช่ไหมเออคนที่มีทิศทีปักอยู่ในกระแสขันท่าอะไรยเง้ยก็ยังนอนหลับกันสบายเลยใช่ไหมใช่ เขาไม่เห็นสตทกสถานใดๆเลยอาตมาจะบอกกันอาตมาเนี่ยเป็นถอนลูกศรออกมาแล้วทาไมอาตมาจะหลอกไม่ได้อสัมาทิฏฐิวิบัติอ่าสัมมาทิฏีิวิบัติศัพท์นั้นคือเสียสมาทิฏิเสียแล้วเขาเรียกว่าทิวิบัติ คือตัวสมาทิฏฐินั้นบอกว่าวิปัสนาสมาทิฏฐิวิบัติไปซะแล้วชานน่ะสมาทิฏิก็วิบัติไปซะแล้วมรรคสมาทิฏฐิก็วิบัติไปแล้วก็บอกไปเลยนี่แหละตัวสมาทิฏฐิเราวิบัติไปซะแล้วน่เรียกทิฏฐิวิบัตินั้นสิหน้าเสียใจนั้นถ้าทิฏฐิวิบัติเนี่ยถ้า ators, อย่างเราท่านทั้งหลายอย่าลืมนะว่าบางทีเราเสียใจมากเลยเราไปทําอะไรที่ผิดเนี่ย แล้วตอนนั้นเราไปหลงผิดแล้วทําแล้วเรามารู้เนี่ยโอ้โหเสียใจมากทิฏฐิวิบัติแล้วมันแก้ไม่ได้มองอย่างแก้ไม่ได้แล้วไปทํากรรมที่ไม่เหมาะเช่นบางทีไปฆ่าสัตว์เงี<ม>้ยไปฆ่าสัตว์หรือไปทํากรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรกันเหมอนตอนนั้นทิฏฐิวิบัติใช่ไหมสมาธิทิฏฐิวิบัติไปซ ะ, แ ล, ป ะ, ปะปแล้วเนี่ยแล้วโอ้โหเราจะแก้อย่างไงเลยเนี่ยยังพราบางองค์เนี่ยเกิดไปทําเสียศีลไปซะแล้วเนี่ยแล้วแก้ไม่ได้ทําไงเราล้องไห้บางคนนีกร้องไห้ มันตอนนั้นมันเป็นที่วิิตติสมาทิฏฐิวิบัติไปอย่างเงี้ยเราแก้ไขกลับคืนก็ไม่ได้เสียดายเพศก็เสียดายใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เลยวันทิฏฐิวิบัติแก้ไม่ได้แล้วก็ไม่เจริญงอกงามเลยก็ทําวินัยไปดุจต่างๆยอดด้วนไปอะไรมันจะเสียหายอย่างนี้เป็นตน้นน่าเสียดายใช่ไหมรักษาวงของพระเจ้าไม่ได้อย่างเงี้ย น, นะก็น่าเสียดายยิงคิดไปยิงยิงกุ้มซื้อเกล้วย ก, ก็กุ้มอย่างนั้นนี่ยไม่สบายใจอ่าเดินไป พออย่างนี้เข้าใจที่อาจมาพูดตรงนี้คือพูดอย่างต่ําถ้าอย่างสูงหมายความว่าเป็นสมาธิทิวิบัติไปไม่สามารถจะกลับคืนสู่สมาธิได้อีกเลยคือกลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฏฐาวรทั้งหลายเนี่ยตรงนี้ถ้าคือคือคือเขาอยากออกนะเขาออกไม่ได้เสียแล้วเพราะอะไรงออกไม่ได้เพราะไปสมาทานวิธีคิดอย่างนั้นเกินเจ็ดโชนะเนี่ยตถาคตใช่ันะ้น คือคืออย่างนี้ไปเห็นแบบเป็นนี่ต่างมิจฉาทิถีอ่ะไปเห็นแล้วยินดีเห็นแล้วยินดีอ่ะเกินเกินเจ็ดชุดของชาวนาะแล้วมันถอนกลับไม่ได้ถอนกลับไม่ได้เพราะถูกถูกมิจฉาทิถีเหล่านั้นดึงโดดไปแต่แล้วแล้วทุกข์มากออกไม่ได้ออกจากความเห็นอย่งั้นไม่ได้อยากจะออกก็ไม่รู้จะออกยังไงว่าตนเองนั่นนะอ่ะเอานี้ที่ว่ากาลทิวินดาบทร้องให้ ออกไม่ได้ออกไม่ได้มันออกได้ช่วแวบเดียวเองแล้วก็ถูกดึงดูดกลับไปใหม่ร้องไห้เลยน่ากลัวถ้าทิศสมาธิถี่วิบัติแล้วลน่ากลัวออกไม่ได้เนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้คือคือหลายๆคนลองไปนั่งคุยขอภัยนะบางคนเนี่ยไม่อยากจะมีเพศแบบนั้นเลย ทุกมากร้องไห้แต่ไม่รู้เป็นไงพอเจออารมณ์ที่นั่นตนเองก็พ่ายแพ้โดนหลอกโดนอะไรสละพัดแล้วก็ไปหมดเนื้อหมดตัวไปกลับมาก็ามานั่งร้องไห้อ้ามาเจออะไรคนหนี้นั่งร้องไห้เขาไม่อยากเป็นเลยเขาไม่อยากมีเขาเป็นผู้ชายแต่เขาต้องใบ ป, ประกาศ ต, ต้องเมียกับกิริยาเป็นผู้หญิงเนี่ยฟังนั้นนะ เขาก็ร้องไห้เนอะไม่หาผ้าไปนั่งร้องไห้เขาเขาอ่อนแองจริงจิตใจก็อ่อนแองจริงเขาเห็นโทษมากแต่ออกไม่ได้เนี่ยลักษณะเดียวกันเนี่ยก็แบบซัมมาทิถีมันวิบัติแล้วนั่นมันมีอจริงๆออกไม่ได้ไม่รู้จะออกยังไงเราก็แม้ไม่เห็นยากเลยใช่ไหมความคิดของเราก็ไม่เห็นจะยากเลยก็เดินออกมาก็จบ เขาก็บอกว่าเขาหาว่าพระอาจารย์ไม่เข้าใจเขาหรอกว่ามันทรมานอะไรเขาก็ไม่รู้เหม่เราก็รู้จักยากก็เกิดในความยินเขาเนี่ยโพราะมนทรมานมากเลยเวลาปองก็เล่าอิเราก็ปองไปปองมาก็อยากจะเคิมทาบอกไม่ไหวบอกว่าไม่อะไรก็ไม่รู้เรื่องที่เรื่องแน่ๆเขาก็กลับมาคิดนะแล้วนี่อนโอ้โหหนิ่งหน้ากลัวแท้เกี่มวไห ใหม่ๆเราก็งวดเหยีดแต่ก่อนเราไม่รู้คําสอนเท่าไหร่เนี่ยก็งวดเหยียดบางทีก็ตําหนีบางทีก็กรณีบางทีก็เป็นญาติญาติได้ซไปบางทีป่ายญาติบางคนก็ตําหนีมาก็อย่าไปตาหนีก่อนหนึ่งเราเคยเป็นสองเราจะเป็นใช่ไหมแล้วประการต่อมาก็คือเขาไม่อยากเป็นเขาไม่อยากเป็นแต่เขาออกจากสมาธิตังนั้น ก็ออกจากมิจฉาทิฏฐิไม่ได้นี่เขาเรียกว่าตกล่องมิจฉาทิฏฐิแรงมากน่าเสียใจใช่ไหน่าเสียใจมากก็ทิ้งต่างๆเราเนี่ยถึงบอกว่านี่นี่แหละคือตัวตั ว, ต, วตัวมิจฉาทิฏฐิปาปการต่อมาก็คือว่าลูกศรเนี่ยนะที่บอกว่าเจาะเข้าไปภายในก็กําจัดได้ยากมากทิฏฐิเนี่ยมาจากคาว่าทิฏฐิสัมภาโทนี่ก็แปลว่าคับแคบเป็นความคับแคบมาก ขับแคบทําไมถึงบอกว่ามิจฉาทิฏฐินี้ขับแคบเพราะมันบีบคั้นมันบีบคั้นลองคิดดูที่ว่ากรณีที่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยทําให้ตนเองต้องเห็นอย่างนี้เท่านั้นเนี่ยอย่างอื่นผิดเนี่ยมันจะขับแคบเพียงอะไรใช่ไหมแล้วมันไปตกล่องแล้วไปอยู่ในล่องตรงนั้นแล้วมันออกจากร่องตรงนั้นไม่ได้เป็นความคับแคบเป็นความกันดานมากอีกอย่างหนึ่งทิฏฐิปริภาโพโทก็แปลว่าทิฏฐิเป็นเครื่องกังวล เป็นเครื่องกังวลเพราะอะไรลนะ่ะเพราะอาจจะว่าปิดกั้นความหลุดพ้นคําว่าเป็นเครื่องกังวลเนี่ยมันปิดเขาไว้ยอย่างนั้นแหละมันทําให้เราหลุดพ้นไม่ได้หลุดพ้นออกจากตรงนั้นไม่ได้เขาเรียกว่าทิฏฐิปริโพโพโทโแต่าทิฏฐินั้นเป็นเครื่องกังวลประการต่อมาคือทิฏฐิเป็นเครื่องผูกพันอีทิฏิพันธนังเนี่ยนะเป็นเครื่องผูกพันเพราะอะไรแก้ได้ยากตามบอกว่า แม่เนี่ยไอ้กรณีที่เราจะเดินออกอก็เราก็ผูกพันกันมานานเคยได้ยินคำนี้ไหมเนี่ยนี่ไม่ผูกพันกันมานะหนูพันทั้งทั้งที่ว่าใช่ไหมทั้งทั้งๆที่หม่เขา ป, ปฏิิปฏบัติกับเราเนี่ยไม่เหมาะไม่สมอะไรต่างใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกอะไรทิฏฐิพันธนังลาหุรังชาตังพันธนังชาตัง ห่วงได้เกิดขึ้นมาแล้วบ่วงได้เกิดขึ้นมาแล้วต้องระดับพระโพธิสัตว์ตัดห่วงฟุบเลยใช่ไหยตัดห่วงได้ไม่ยากตัดยากไหมที่ทิพันธนาังยากไหมยากใช่ไหมเห็นที่ไรก็ลูกเห็นที่ไรก็ภรรยาเห็นที่ไรก็เพื่อนเห็นที่ไรก็พ่อแม่อะไรก็อยู่นี่กนะ็ตัดห่วงกันไม่ได้ไม่ใช่ตัดพ่อตัดแม่ให้ตัดห่วงคือมิจฉาทิฏฐิ แล้วถ้าตัดมิจฉาทิถีออกไปแล้วความเป็นพ่อเป็นแม่ยังมีอยู่ไหม ม, มีแต่มีแบบความเข้าใจด้วยให้ตัดมิจฉาทิฐิห่วงคือมิจฉาทิถีนั่นแนหะกลับไปตัดเสียตัดให้หมดตัดได้ไหมไม่กล้าใช่ไหมแต่กระทั่งยาโค้ดก็กล้าที่ เหมือบางทีขนาตอนหน้าพายังปากสั่นไม่กล้าแล้วถ้าไปตอนหน้ามิจฉาทิฏฐินี่โอ๊ยแม่ขอโทษนะพอแม่ไปรับปากคาท่าจะตัดแม่คิดผิดไป <c oughs> <c oughs> ให้ตัดตัวมิจฉาทิฐิไม่ได้ตัดโลกไม่ใช่ไปตัดลูก <c oughs> ต้องพูดเอาใจแบบนี้ก่อนใช่ไหมเพราะถ้าตัดแล้วจะมีความสุขไหย <c oughs> จะมีความสุข นั้นตัดเลยใช้วิปัสสนาสมาธิติดตัดเพราะถึงตัดยังไงก็ตัดแค่แต่ทางค้าแค่นั้นเองนั้นรีบตัดเถอะตัดสักวัละร้อยครั้งสองร้อยครั้งเพิ่มไปเรื่อยๆนะเข้านะคข้าก็จะได้ไม่มีทิฏฐิพันธ์ทังนัง้นใช่ไหมพอตัดเบ็ดเสร็จแต่เนี้ยแต่เนี้เราจะเป็นแม่จริงๆเลยเป็นแม่จริงๆก็เรียกว่าเป็นแม่พระเลยเดี๋ยนี้เนองใช่ไฮะ เป็นแม่โอ้ยโลกมองโอ้โแม่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมหมายความว่าดูหน้าสดใสกว่าเดิมยิ้มเย้มกว่าเดิมผ่องใสกว่าเดิมใช่ไหมใช่ไหมหน้าตัดไวมล่ะทิศีพันดังนเนี่ยใช่ไหนงั้ น, น, นกลับไปตัดเลยก็ไปบอกกับเขาแรงๆได้ไหมเนี่ยต่อไปเนี่ยจะตัดทิศีพันดังใช่ไหมบอกจะตัดขาดกันด้วยที่อความผูกพันในนี้ว่างั ก็ไปตัดเลยนี่ก็ตัดนี่ทิฐีเป็นเหวด้วยนะมาจากคาว่าทิฐิทิฐิป่าปาโตเนี่ยตกกันไปยังไตกก็ไปในเหวอันนี้ยัง <Okay. S 1> แล้วจะขึ้นยังไงก็ต้ง<บา>งังบอกว่าขึ้นได้ยากตกลงไปจนแล้วเหวอัเนี้ย แล้วตกลงไปในเหวทิถีเธอแล้วขึ้นยากมาขึ้นได้ยากมาประการต่อมาคือทิธีเป็นอนุใสทิถีอนุสยสิฐานอนุสยเนี่ยนะเพราะอาจราวามีเป็นสภาพที่มีกำลังมีกำลังมากก็ลองคิดดูที่ว่าวิปัสนาแข็งแรงขนาดไหนนามรูปปลิเคทะยานก็ตัดได้ไม่ขา ด, ดใช่ไห ม, ไมไตัดได้ไม่ถาวเนี่ยปัจจะญาปริกขหายานสมมาสนญาณอุทิยปยญาณ อารีเจนตเนี่มุนกิจุกรรมยตายานเป็นต้นจนถึงปริสังขายานสังขารรูปเข้ายานอนุโรปมายานอย่างเงต้องมัคคายานเนี่ยนมันมีมีกําลังมากทิศทีเนี่ยทิศทิสันปาโตเนี่ยทิศทิเป็นเหตุให้เดือดร้อนด้วยเป็นเพราะทิศทินั่นแหละทําตนให้เดือดร้อนทุกวันเนี่ยฉะนั้นที่เราต้องเดือดร้อนว่าอะไรร้อนเพราะไฟคือราคาโทรสาโมหามานะทิศทิเป็นต้นเหล่านี้เพราะเราร้อนถูกเผาต่างๆเหล่านี้ก็เพราะนี้แหละ ทิฏฐินี่แหละทำให้เดือดร้อนทิฏฐิเป็นเหตุให้เร่าร้อนด้วยทิฏฐิปริราหูตามเผาอยู่ตลอดเวลางั้นกระแสขันท่าไดยัตนาคของเราท่านทั้งหลายที่ถูกไฟสิบเอ็ดกองเผาอยู่เนี่ยเพราะอํานาจของทิฏฐินี่แหละเป็นเหตุทำให้สัตว์นั้นต้องเร่าร้อนอยู่ในการมาพบรูปมาพบแล้วก็รูปมพบประการต่อมาทิฏฐิเป็นเครื่องร้อยรัดด้วยทิฏฐิคันโถเนี่ยนะเพราะว่าร้อยรัดกองกิเลสเอาไว้ ร้อยลัตอะไรร้อยลัตก็ราคาโทรสามโมงหาเป็นต้นเนี่เข้าไว้ทิฏฐิเป็นเครื่องยึดถือเป็นทิฏฐิอุปาทานังด้วยยึดมั่นไว้ทิฏฐิเป็นเหตุที่ถือผิดทิฏฐิพินิเวสโวเนี่ยถือผิดเติมหน้าทั้งว่าว่าจริงอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าใช่ไหมว่าผมจริงขนเล็บฟันหนังเนื้อเนี่ยพอไปเห็นปรามาสก็ยึดปรามาสไปเห็นบัญญัติก็ยึดบัญญัติว่าจริง อย่างอื่นไม่จริงใช่ไหมฉะนั้นกรณีที่มิจฉาทิฏฐิลองก็ไปลองก็ไปเอาอะไรเป็นที่ตั้งเนี่ยเขามีอะไรไป็นที่ตั้งเขาเยอดแต่นั้นแหละพอตั้งไปตั้งมาเขาเยอดว่าจริงใช่ไหมจะเป็นไบลักษณะอย่างนั้นประการต่อมาคือว่าเป็นเหตุให้ถือผิดทิฏฐิเป็นเหตุให้รูปคำทิฏฐิปรมาโสทําไมต้งเรียกว่ารูปคำคือทิฏฐิแล้วย่อมรูปคำวันนี้เป็นอื่นรูปคำโดยความเป็นอื่นก็คืออื่นจากความเป็นจริงนั่นเอง ประการต่อมาภาษารีบูท่านก็ขยายเป็นไปตามลําดับแล้วก็บอกว่าอาศัยทิฏฐิเนี่ยนะคือความพอใจเนี่ยสุขสมานัตทิฏฐิเป็นไปตามตนชื่อว่าตานุทิฏฐิทิฏฐิอันเวิปริตเพราะเป็นไปว่าไม่มีนะชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะทิฏฐิในกายเป็นอยู่ทิฏฐิมีอยู่ในกายเรียกว่าสักกายทิฏฐิคําว่ากายยะกายยะเนี่ยบางทีเราไปเจอศัพท์เนี่ยราะไตรปิฎกโดยทั่วไปนั้นในที่นั้นหมายถึงขันธปัญรยากาศขันห้าอันเลี้ยงเรียกว่ากายยะ เช่นสกายะกําหนดรูปหมายสักายะเนี้ยนะอันนั้นแปลว่ากําหนดรูปหมายขันห้ามีสกายะเป็นวัตถุฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าสกายะทิฏฐิใช่ไหมเพราะมีสักายะเป็นวัตถุทําไมจึงมีสกายะเป็นวัตถุเออทำไมจึงมีกายทั้งทำไมจึงมีสกายะเป็นวัตถุเพราะสกายะกล่าวคือขันห้าเป็นต้นนั้นเป็น ที่ตั้งเป็นที่อาศัยเป็นที่ให้เกิดของเขาแค่นั้นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็ใสศรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้แหละอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจอาศัยรูปเสียงกินรสสัมผัสและธรรมารมณ์นี้เองแค่นั้นเขามีสักกายานี้เป็นที่อาศัยก็าจึงเลือกสักกายทิฏฐิมีสักกายาคือขันถ้าบรรจกาศเป็นวัตถุคือเป็นที่ตั้งทิฏฐิเป็นไปว่าไม่เที่ยงเรียกว่าสัตสตาทิฏฐิถ้าเป็นไปว่าขาดศูนเรียกว่าอุเฉททิฏฐิถ้าอันตะ คากะเพราะอาจจะว่าถือที cars, devant, target, ハハ่สุดมีสัตว์ทิติเป็นต้นนะมีการถือเอาส่วนสุดหรือถือที่สุดทิฏฐิตามส่วนสุดเบื้องต้นคืออดีตเขาเรียกว่าปุพันตาโนทิฏฐิใช่ไหมเช่นตามระลึกไปในส่วนเบื้องต้นเนี่ยนะเอาทิฏฐิระลึกไปเท่าไหร่ก็เรียกว่าปุพันตาโนทิฏฐิแล้วระลึกไปจนถึงที่สุดส่วนเบื้องต้นน่ยตามเข้าใจของมิจฉาทิฏฐิดีเขาก็เข้าใจผิดเนี่ยนะเพราะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยในส่วนจริงก็มีกำลังก็้าไห เ้าก็ตามอํานาจของทิฏฐิของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันเช่นใครระลึกได้สิบชาติก็มีมิจฉาทิฏฐิไปสิบชาติแหละบางคนก็ได้ถึงยี่สิบชาติหนึ่งกับอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเขาก็ระลึกไปตามนั้นเป็นสัญโยชนิกาเพราะอะไรว่าประกอบไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทิฏฐิผูกพันไม่ให้สืบต่อให้เกิดขึ้นด้วยมานานเกิดขึ้นว่าเป็นเราเนะีดยเดือดนาจว่าอังการมังการถือตัวเป็นหมูลหนึ่งมิจฉาทิฏฐิ ชื่อว่าทิถีอันผูกพันได้มานะว่าเป็นเราอาหานติมานะวิพันธาทิถีถ้าทิถีผูกพันมานั้นเกิดขึ้นว่าของเราเนี่ยเนี่ยเขาเรียกมะมังการถ้าเป็นเราเนี่ยหั่การใช่ไหมถ้าของเราเนี่ยมะมังการถ้าทิถีผูกพันได้มานะว่าของเราเนี่ยมัมันติมามะวิมานะวิน atención, ิพันธาทิถีงั้นการพูดการกล่าวของตนเนี่ยชื่อว่าอัตวาทะใช่ไหม ตนกล่าวตอนพูดแม่วันนี้ไปพูดวันนี้ไปสอนก็ไปเข้าใจเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเลยที่สอนออกไปแล้วเวลาสั่งอะไรออกไปถ้าใครไม่ทำตามเนี่ยโห้ยตัวตนเดือดร้อนมาก <c oughs> เคยเป็นไหมล่ะส <c oughs> ม่สั่งมาอย่าไม่ทําตามนี่แม้มีโทษกันเป็นแถวเลยมีการลงโทษด้วยนะจังไหมเรานี่ไปเคยเป็นครูกันทั้งนั้นเป็นครูของพ่อบงังของแม่บงังของนองง้ อ, องบังนั่นแหว้อาไปบางที บางทีหนักไปถึงขนัดว่ามีการจำกัดแม่ด้วยนะนเดือนนี้ให้แค่นี้แหละเออหนักเลยเงี้ยใช่ เ, <อ>เคอเป็นไหม<อ>จำกัดเลยนะแม่ก็บอกต้ อ, อตามใจก็ไม่รู้จะทำไงใช่ไหมพ อ, อหมดสภาพแล้วแม่ก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องตามใจ จะพูดจะจะพูดอะไรไหมก็ไม่ค่อยได้เลยกลัวเขาจะโกงไม่ค่อยกล้าหักหานน้ำใจทิฏฐิตกไปในเหวเขาซะแล้วยั่ไงททาไงจะขึ้นก็ยากการพูดการกล่าวเป็นอัตวาทะทนทิฏฐิสัมปยุทธเกี่ยวกับเรื่องอัตวาทะเรียกว่าทิฏฐิสัมยุทธด้วยอัตวาทะนะอัตวาทะปฏิสังยุตตทิฐิ ว่าการพูดการกล่าวเพราะมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นพล้ก็พูดออกมานี่นเยเองการการกล่าวชื่อตอนว่าเป็นโลกชื่อว่าโลกวาทะอันนี้ก็เรียกโลกายะนะนีปฏิสังยุตติโลกเทิฏฐิเรียกว่าครบนะีด้วยอำนาจของความคือความเห็นความเห็นว่าเที่ยงอ่ะก็ เ, เรียกภาวาทิฏฐิ ถ้าความเห็นเรื่องหน้าเปนการขาดศูนเรียกว่าวิภาวะทิฏฐิเนี่ยเป็นไปอย่างเนี้ยท่านก็แสดงนะอาสาททิฏฐิมีความถือผิดโดประการต่างๆต่างนี้นี่อาสาททิมีความถือผิดก็คือว่าถืออะไรอาศัยรูปนังไงอาศัยรู ป, ปขันก็เกิดความเห็นผิดสุขสมนัตที่อาศัยเรือนนะ่ะจะเกิดขึ้นว่าอาศัยรูปสมบัติว่ากายของเรานี้เป็นเช่นนี้สุขสมนัตเกิดขึ้นเพราะว่ากล่าวไว้หัวเนาว่าสุขสมนัติเป็นอาสาท้ายมือรูป ตรงนี้ก็ก็จะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายอยู่ตลอดเวลานะสภาพของมิจฉาทิถีทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเป็นไปตามลําดับเนี่ยทีนี้เดี๋ยวไปว่าตามลำดับตอนนี้เราพักฟ้ากันหน่อยน่าจะดีกันดีไหมอ่าดีเดี๋ยวกันมาต่อเดี๋ยวจะรไปเชื่อมโยงเกี่ยวในเรื่องของที่อื่นอีกทีเดียวเอาขึ้นมา ไอ้พัฒนาต่างกันนะสกยะทิถีเป็นแกนหลักเป็นตัวประธานสกยะทิถี น, นั้นเป็นตัวพัฒนามาจากสกยะทิถีเออตัวสัสตาทิถี